อาจารย์ครับก่อนน้มัสการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมจะกลับถามพระอาจารย์ก่อนครับพระอาจารย์วันนี้บินบัดไปคนเยอะไหมครับผมวันนี้เจ็ดร้อยกว่าเจ็ด้อยี่บเอ็ดคนโอ้วันพระวันตรองเป็วันพระอ๋อวันพระแล้ววันอาทิตย์อ <laughs> จนวางบ้านอีกสามร้อยแปดสิบกว่าสามร้อยแปดสิบหกครับผ ม, บมกพ็พันสองพันพันพันร้อยกว่าพันกับร้อยสิบร้อยเจ็ดครับผมกลาวสาธุครับอาจารย์ครับวันนี้ผมขอโอกาส จ, จัดนอกสถานที่ครับพอดีว่ามาช่วยงานบุญที่สิริราชครับอาจารย์ในอยู่ใกล้ๆที่ศิริราชครับผมอืมอก็ชัดคมชัดดีเสียงดีครับผมขอบคุณครับ ใช้น็อตบุ๊กเหรอใช้น็อตบุ๊กครับอาจารย์ครับใช้กล้องโนตบุ๊กเลยหรือเปลอันนี้กล้องโนตบุ๊กเลยครับอาจารย์ครับก็ใช้ได้นะคมชัดอย่างไรบ้าครับผมอาจารย์ครับวันนี้จะกล่าวขอปัญญาพระอาจารย์ผมเคยได้ยินอนุปุปพิถาตตอนแรกผมไม่เข้าใจครับปรากฏว่าผมไปฟังของหลวงปู่งปู่เหลียนท่านอธิบายแล้วผมก็เลยรู้สึกเออเป็นธรรมที่เป็นลําดับลําดับจนถึงบรรลุธรรมครับก็เลยขอโอกาสพระอาจารย์อ่า ให้ปัญญากับพวกเราในเรื่องอนุปปีกิกถาครับอาจารย์ครั บ, รบกับอความเมตตาครับผมก็การแสดงธรรมครบหลักสูตรตั้งแต่จน้นต้นจนจบเบื่องตอนก็ทรงสอนให้รักษาศีลเพื่อกันไม่ให้จิตตกลงไปในอบายเสร็จแล้วก็ให้ทาบุญเพื่อยกระดับจิตให้สูงจากมันลดช้ายขึ้นไปเป็นเทพ รักษาศีลห้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไปอบายแล้วก็ทำบุญทำทานก็จะยกระดับจิตให้สูงกว่ามนุษย์เป็นระดับเทพแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นโทษของการฆ่าจาการเสด็จจะขาดปกันแป๊บนะครับไม่เป็นไรอย่างสักครู่นะครับ ใช้เลยขอแค่ปชาชนผูขออนุญาตแก้ไขสัญญาณ น, นิดเดียวโอเคอาจารย์ครับอาจารย์ครับเชิญได้ยินนะเห็นนะครับอาจารย์กรับขออภัยครับผมเมื่อกี้สัญญาณหายไปหมดเลยค่านอาจารย์ท่านี้ก็เป็นปกติภาพของหมอหนีหนไปเฉยๆเหมือ น, นแข็งไป มันหยุดเชื่อค่าแต่มนจอไม่ดังภาพมันยังอยู่いい <S <S ตอนนี้ใช้ได้เลยเดี๋ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับอาจารย์พระอาจารย์เลยจะขอกับขอความเมตตาใหม่ครับอาจารย์เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงศีลแล้วก็ทานแล้วครับอาจารย์ครับเมื่อยกระดับขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทพแล้วก็ส่งสอนนะว่าการที่เราอยู่ในระดับมนุษย์กับเทพนี่ก็เพราะเรายังเสพกรรมอยู่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลต่อพะ ซึงเป็นเหมืาเสพติดเวลานั้นเสพก็จะมีความสุขเวลาไม่ได้เสพก็จะมีความทุกความมึุหงิดใจไม่สบายใจแห่ให้เอ็นโทษของการเสพกามเพื่อที่จะได้เปลี่ยนวิธีเสพความสุขจากการเสพกามไปเสพความสงบในการปฏิบัติในกรรมะคือถือศีลแปดถือศีลหัวหน้าบวช แล้วเป็นการเสพกับในเบื้องต้นก็อาจจะทําแบบเป็นแค่ทั้งสองครั้งก่อนเป็นการทดลองเช่นปฏิบัติในวันพระวันพระก็ถือศีลแปดวันธรรมดาก็ถือศีลห้าทำบุญทำทานพอวันพระก็มาถือศีลแปดแล้วก็มาปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อจะได้ย ก, กระดับจิตให้สูงกว่าระดับของเทพ ของมนุษย์ที่เสพกามให้ไปสู่ระดับของพรหมที่เสพความสงบจากการบำเพ็ญสมถะภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วหลังจากที่ได้ได้ระดับพรหมได้รูบ ป, ประชานหรือ ป, ประชานก็ให้ขยับขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาให้พิจารณาให้เห็นว่า ความสุขของไตรภพบความสุขที่มียอยู่ในตรยพนั่นอาจะเป็นกามมัสุขหรือความสุขที่ได้จากรูก ป, ประชานหรือรูกประชานนี้ก็ยังเป็นอยู่ภายใต้กฎสงตรานักมันยังไม่เที่ยงมันยังไม่ยังไม่ถาวรเวลาได้มาก็จะมีความสุขเวล า, ม, ามันจากเราไปก็จะทําให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ก็ให้ล ความอยากในรูปประชาในรวปประชาอันต้นงมายลับความอยากในการเสดการทุกรูปแบบรูปเสียงกิจรดอาหารก็ดีการดูการฟังอะไรก็ดีแล้วก็ไปละการอยากจะร่วมเพศกับผู้อื่นโดยการเจริญอสุภะกรรมฐานใจก็จะ <c oughs> ละกามกรมปัญหาได้ แต่ยังไปติดอยู่กรารเสพความสุขที่เกิดจากความสงบของรูปฌานและรูปฌานก็พอถึงขั้นนั้นก็ต้องละการเสพความสุขจากรูปฌานและอนรูปฌานเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นของชั่วคราวไม่ถาวรพอละความอยากจะเสพรูปฌ า, านและรูปฌานได้จิตก็สะอาจบริสุทธขึ้นมา ความสะอดโดยสวยของจิตก็จะสงบไปตลอดเพราะไม่มีกิเลสตัณหาตัวที่มาคอยสร้างความไม่สงบให้กับใจเพราะไม่มีตัณหาความอยากที่จะเสพอะไรของตายพบแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องเกิดในกางมภพบไม่ต้องมาเกิดในรูปะพบหรือรูปะพบ ก, ก็จะอยู่ที่นิพพานเป็นธรรมขั้นสูงสุด มือนก็แนวเดียวกันนะที่พูดกันมาทานศีลภาวนานี่เอเห็นแต่ว่าอาจจะแต่งเติมหน่อยทานศีลแล้วก็สวรรค์ทําทานรักษาศีลแล้วก็จะได้สวรรค์มไปสวรรค์แล้วก็ถ้าอยากจะได้สวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องละต้องเห็นโทษของการเสด็จก า, การมกรมคุณคห้าละเพื่อให้ละการเสด็จกรมคุณคห้าพื่จะได้ไปมีเวลาไป ไปเจริญสติสมาธิให้ได้เสกความสุขจากรูปประจานและอรูปประจานหลังจากละกามกคุณท่าได้ไม่เสกกามคุณไดก็ไปติดกับการเสกรูปรรประจานอนรูปประจานก็ต้องละ ก, การเสกถ้าอยากจะทําให้จิต น, นี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องละเสกรูปรรประจานอนรูปประจานโดยการใช้ใช้จิต ใช้ให้จริญและที่ได้อุเบกขามาเนี่ได้ปัญญาให้เห็นโทษของความอยากอยากอยากในสิ่งที่เป็นตายรับมันจะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเวลาสิ่งที่เราอยากได้มันหมดไปจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์คนที่ไม่ติดกับคนที่ติดเนี่ยมันคนที่ไม่ติดสบายกว่าใช่ไหมคนที่ไม่ติดบุหรี่ไม่สูบบุหรีก็ไม่เดือดร้อนมีบุหรีก็ไม่มบุหรีสูบก็ไม่เดือดร้อน แต่นคนที่ติดบุหรีนี่จะต้องมีบุหรี่ถึงจะมีความสุขเวลาขาดบุหรี่แล้วก็จะมีความหงุดหงิดน้าคาดใจเหมือนกันเวลาติดอะไรติดรูปประชาแล้รูปประชามันก็หงุดหงิดได้เหมือนกันถ้าไม่อยากจะมีความหงุดหงิดน้องหนื่อยอยู่เลยในใจก็ต้องเละการเสพทุกสิ่งทุกอย่างละเสพการละเสพรูปประชาแล้รูปประชา เราไม่มีความอยากจะเสีอะไรใจก็เป็นใจที่สงบอย่างถาวรใจที่มีความสุอย่างถาวร ท, ที่เป็นมรมมงสุขขังนี่ก็เพราะว่าไม่มีความอยากที่จะเสพอะไรต่อไปใจอิ่มตลอดเวลาสุขตลอดเวลาไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเพราะไม่อยากจะเสพการไม่อยากจะเสพมือประชานนึกออกมือประชาน อันนี้ก็เป็นธรรมขั้นสูงสุดในการปฏิบัติก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปจากชาั้นนรูปานสู่ชัน้นปฐมไปสู่ชัน้นมัธยมไปสู่ชั้นระดับอุดมศึกษาอืมเมื่อตอนย้ายรักษาศีลนะเพื่อปิดประตูบ่ายเห็นน้อยไม่ให้จิตตรงลงไปมปทำกัความเป็นมนุษย์ถ้าทําบาปนะจิตก็จะกลายจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูร ก, กายบ้างเป็นนรก ม า, มาเม่อเรารักษาสีหน้าปิดประบายได้เราก็ทำบุญเพราะเราจะใช้บุญนี้ดิงจิตให้สูงขึ้นจากความเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นสูเทพเป็นเทวดาก็มีเทวดาหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำมากทำน้อยปริมาณของสัดส่วนของทรัพย์ที่เราสละไปถ้าสละหนึ่งในหกก็ได้ชั้นที่หนึ่ง สละสองในหกก็ในชั้นที่สองมันง่าไปถ้าสละหกในหกเลมีเท่าไหร่สละหมดออกบวชไม่หวังไม่เพิ่มเงินทองเพ่อจะเสกการมต่อไปก็จะก็สละหมดคนที่ไปบวชก็สละเงินทองหมดก็จะได้ออกจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นโภต่อไปเมื่ไม่เสกการมก็จะไมีเวลาที่จะมาเจารสมาธินั่งสมาธิ พอจิตสงบจิตก็จะเข้าสู่ระดับรูปฌานรูปฌานสี่แล้วก็ถ้าอยากจะปฏิบัติสูงกว่านั้นก็ไปสู่อรูปฌานาสี่แต่ทางซ้ถ้าต้องการจะไปทางวิปัสสนาแค่ไดรูปฌานสี่ก็พอเพียงที่จะใช้เป็นฐานในการต่อสู้กับความอยากหยุดความอยากต่างๆได้อันนี้ก็ เป็นการสอนครบหลักสูตรนะตั้งแต่ต้ น, ตนสําหรับผู้ที่เริ่มต้นไปถึงผู้ที่ตายต้าไปเหมือนระดับบัวสี่เราเริ่มต้นจากบัวกลางนา้ำไปสู่บัวปีมนม้ำไปสู่บัวเหนือน้าระดับบัวกลางนา้ํากับพวกที่เชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อ น, น, น, องอนอางฟ้าเชื่อสวรรค์ก็อย่าทำบุญดำดาลรักษาศีลแล้วพอสอนเรื่องเรื่องโทษของการเสพกาม พราะการเสกการมันจะทำให้ทุกเวลาเพราะการมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วข้าวให้ไปเสกสิ่งที่มั่นคงกว่าแน่นอนกว่าก็คือการทําใจให้สงบในการภาวนาในการถือศีลของนักบวชพวกนี้ก็จะขยับจากบัวกางน้ําก็มาเป็นบัวเป็นเป็นบัวปลิ่นน้าหรือมาเป็นนักบวชแล้วก็มาเจริญสตินั่สมาธิให้ได้รูปปัจานะรูปปัจจาน พอได้รูปปัจฉานรูปปัจฉานแล้วก็จะเป็นบวเหนานาำพอเป็นบัวเหนือน้ำพอได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมคือคําสอนของพระเจ้าคือปัญญาคือเห็นตายรับเห็นนารย า, าสัตว์สีอบัวก็จะบานขึ้นมาทันทีนี่เป็นบวสี่เหล่าบวสามเหล่าที่มีมีโอกาสที่จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาและบานได้ สชนั ว, นวที่อยู่กับโคนตน้นนี้ถ้าบอกว่าไม่มีโอกาสจะกลายเป็นอาหายของปูปลาก็คือพวกที่ไม่เชื่อในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาตรเรื่องบุญไม่เชื่อเรื่องนิพพานเรียนไหว้าตายเกิดคิดว่าชีวิตมีแค่ร่างกายนี้ตายแล้วก็จบตายแล้วก็สูงก็ไม่รู้จะไปทำบุญทำบาตรไมร่้ว่าใครไปสวรรค์ใครไปนรกเห็นมีเพียงแต่ร่างกายเป็นส่วนเดียว ไม่เห็นใจที่เป็นผู้กระทํากรรมต่างๆยืนเบื้องหลังของร่างกายทีนีน้ผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือกระทํำบาปทาบุญพวกนี้ยังไม่ศรัทธาไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไม่เชื่อเขาก็จะไม่ปฏิบัติตา ม, มเขาก็จะเชื่อเรื่องสิ่งที่เขาเห็นได้กับตามเขา ค, คือราบลดสรรเสริญสุขโลกกระทำของนี้จับต้องได้หางเงินมา มีเงินอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้เวลาได้ซื้อสิ่งที่อยากได้ก็เกิดความสุขขึ้นมาก็เลยไม่รู้จะไปทําบุญทําทานรักษาศีลไปเพื่ออะไรนั่งหลับตาได้เลยทําบุญแล้วได้อะไรก็ไม่เห็นได้อะไรทาบาปแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรไม่ได้ติดบางคนทําบาปแล้วก็ไม่ได้ต้องติดคุกติดตลาดไม่ต้องมีโทษตามมา อย่างที่มีคนกังวลงกันอยู่ทุกวนว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปก็มองเห็นอย่างนี้ได้ยินบ่อยๆเลยครับการทำได้ดีไม่ทำดีไม่ได้ดีนี่ได้ยินบ่อยมากเลยครับอย่างน้อยก็อย่าไปเป็นบัวที่ยังอยู่กับคนตรให้มีศรัทธานในผูวรู้พระพุทธศาสระสองพระพุทธเจ้าพระธระ 2, รมวสองท่าน ร, ร, 2, รูรร 2, ้ความจริง รู้ผู้ที่มาทำบาปทำบุญรู้ผู้ที่มาเวียนไหวตายเกิดไม่ใช่เป็นร่าง ก, กายคือใจที่เป็นธาตุรู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นนามธรรมจะเห็นใจหน้ก็ต้องใช้การใช้ตาในใช้ตาของใจก็โดยการนั่งสมาธิเพื่อปิดตาหน้าแล้วก็เปิดตาในพอจิตรวมสง บ, บก็จะเห็นตาลนล้นก็จะเห็นผู้รู้เห็น่านรู้เห็นผู้รู้ผู้คิดออ คือตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายเข้าใจกระจาญขึ้นเยอะเลยครับราาษที่แท้มันก็คือเรื่องเดียวกันเลยนะครับอาารย์ทานสี<ๆ>่ท<ๆ>่าวิธีการแสดงทางวจชาเราแยากแยะเพื่อไม่ให้จําเจนนัน่นเองมรรคแปดอิทธิบาทสี่อะไพวกนี้ก็เป็นมรรคทั้งนั้นบาลมีสิบ<ๆ>เป็นการแสดงเพื่อไม่ให้จําเจนก็อาจจะอยู่ จะกลุ่มแต่และกล่มของของนักเรียนไม่เหมือนกันนักเรียนมีแต่หลายกลมด้วยกันก็เลยครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมเดี๋ยวขอโอกาสถามคาถามจากเพื่อนๆบ้างครับคุณแว่นครับเวลาคนตายจิต ด, ดับลงเกิดปฏิสนธิจิตไปเกิดที่ใหม่ทันทีดังนั้นคนที่เห็นผีเป็นรูปร่างเดิมของคนที่ตายไปแล้วก็ไม่เป็นความจริงเพราะปฏิสนธิจิตจะต้องไปเกิดรูปร่างใหม่ เข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับคือร่างกายถ้าเป็นร่างกายของคนเนี่ยของมนุษย์เนี่ก็เป็นร่างกายเหมือนก่อนแล้วกว่อนจะได้ร่างกายเหมือนไม่ใช่ได้ทันทีทันใดเวลาที่ร่างกายอันเก่าตายไปนี่จิตก็จะเป็นดวงวิญญาณนดวงวิญญาณที่ยังสามารถที่จะดําเนินอะไร นำน ำ, น ำ, นำนนกิจกรรมอย่างที่เคยทําได้แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือยังสามารถเสพสุขเสพทุกข์ดได้จากบุญและบาปที่ได้ทำไว้เวลาร่างกายตายไปบุญและบาปเนี่ยมันจะเริ่มทํางานขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะแสะดงผลก่อนสร้างความสุขให้กับใจในรูปแบบของความฝันต่างๆ ฝันเรื่องราวดีๆฝันว่าได้ไปเที่ยวที่สถานที่สวยงามได้พบปะกับคนที่เรารักเราชอบที่เราได้อยู่กับบ้านที่สวยงามอะไรทุกอย่างดีไปหมดเนี่อันนี้เป็นอันนี้อิทธิพลของบุญที่เราได้ทําไว้มันก็จะมาสร้างเรื่องราวเหล่านี้ให้ใจผู้ท่านรู้นิสัยผู้ที่สร้างภาพเหล่านี้ก็คือใจนี่แหละที่มัใช้สัญส ญ, ญากับสังขารของตนเนี่ อัาคิดผูงแต่งแล้วคําจําได้หมายรู้ก็พฤตกรรมที่ดีๆเป็นบุญก็ถูกฝังไว้ในใจเป็นสัญญาไปพอไม่ไม่สามารถไม่มีร่างกายไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสพันทางร่างกายได้ก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้เคยไปทํามาได้บันทึกเอาไว้เป็นเหมือนกัรเราไปเปิดดูวีดีโอที่เราไปถ่ายภาพตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศกันพอเรากลับมาบ้านแนละ้ววันไหนั้นรู้สึกเหงาอยากจะไปเที่ยวเราก็ ก็เอาวิดีโอเก่านี่มาใช้ดูก็ได้แต่ถ้าเราไปถ่ายไปถ่ายถ้าเราไปเที่ยวที่มันมีแต่ภัยมีแต่เรื่องราวไปไปเป็นนักข่าวทําสงครามอย่างงี้มันก็จะถ่ายแค่แต่เรื่องที่หวาดเสียวหวาดกลัวมาเวลาเราเปิดดูมันก็จะมีภาพเหล่านี้ให้เราดูแทนแต่เวลาเราไปทํำบาปแล้วก็ไปบันทึกภาพที่ไม่ดีมามันก็เลยมันจะฝังอยู่ในใจ แล้วมันก็จะเป็นผู้ที่จะส่งผลให้ดวงวิญญาณเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปเกิดเนี่ยต้องต้องรับผลบุญผลบาปนี้ไปก่อนเนี่ยถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็เป็นอบายจนกาบุญหรือบาป ท, ที่ที่ได้สะสมไว้ในใจมัหมดกําลังที่จ ะ, สะแสดงผลเนียก็จะไปรอรับร่างกายอใหม่ส่วนจะได้ร่างกายใหม่เมื่อไหร่ก็อยู่ที่คิวกันแหละว่ามี ว่าร่างกายของมนุษย์นี้ก็มีมีจำนวนขึ้นอยู่กับว่ามีมีการผลิตมากน้อยบางยุคบางสมัยก็มีการผลิตเยอะบางยุคบางสมัยก็มีผลิตน้อยอย่างยุคสมัยนี้มีผลิตน้อยบางประเทศนี่เริ่มมีปัญหากับประชากรเริ่มลดน้อยลงเราก็มีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดมีการเกิดได้ แต่ในยุคสมัยก่อนนี่มีลูกกันเนยอะครอบครัวนึงมีลูกทีสิบคนสิบสองคนสมัยปัจจุบนันนี้มีความรู้ทางด้านทางด้านคุมกำเนิดก็เลยมักจะมีแค่คนเดียวสองคนหรือไม่มีเลยเงื่อนำการที่จะมาเกิดในยุคนี้มันก็ยากกว่าในยุค ก, ก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ไปในสภาพแบบโวงวิญญาณแบบแบบไม่สุขไม่ทุกข์ พ่บุญก็ไม่มีให้เสพ บ, บาปก็ไม่ไม่มีกําลังจะให้เสพร่างกายก็ไม่มีให้ก็ต้องอยู่แบบคนแบบถูกเหมือนกับคนที่ถูกขังอยู่ในบ้านเวลาที่มีโควิดอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวข้างนอกก็ไม่ได้ไปทําอะไรก็ไม่ได้ก็อยู่แบบจืดๆชืดๆ ไ, ไม่สุขไม่ทุกข์อาจจะทุกข์ทงใจทุกข์ทางทางตันหาความอยากไปจนกว่าจะได้ร่างกายใหม่มา เป็นไม่เชาตอบปัญหาที่ถามหรือเปล่าว่ารูปร่างใหม่นี้ถ้าถ้าเป็นรูปร่างใหม่ถ้าเป็นร่างกายใหม่ก็ต้องคนละคนแล้วล่ะการร่างกายคุณหมอของเราเนี่ยเพอะร่างกายนี้ตายไปจะไม่ได้ร่างกายแบบนี้กลับมาเลยไปรู้จะได้ร่างกายของชาวอะไรอาจจะเป็นแอฟริกันก็ได้อาจจะเป็นฝรั่งก็ได้มันเป็นอะไรมันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่คิวแล้วแต่จังหวัด เพื่อแต่ต ก, กรรมบุญกรรมจะจัดสรรให้เราได้น่างกายแบบไหนต่อไปมีคำถามจากคุณวีระยุทธ์ครับถ้ายายผมตายผมพยายามสวดมนต์นั่งวิปัสสนากรรมฐานเข้าวัดทำบุญทำรุปบำรุงศาสนายายจะได้รับไหมครับคือการปฏิบัติธรรมเหล่านี้มันมันยังไม่เกิดผลนะมันเป็นการเหมือนกับเป็นการสร้างเหตุ มนกัการปลูกต้นไม้วันนี้เนี่ยต้นไม้มันก่อจะออกดอกออกผลได้มาจะต้องใช้เวลาหลายปีด้วยกันแต่ถ้าเป็นการทําบุญทําทานนี่มนันเหมือนกับการเาพราะเพราะถั่วงอกเนี่ยเพราะพอตอนเย็นตอนเช้ามันก็งอกออกมาแล้วผลมันเร็วเห็นพระพุทธเจ้าสอนให้ให้อุทิศบุญด้วยการทําบุญทําทานใช้การทําบุญทําทานเพราะอันที่สองของการ บุญนิฐานนี้มันเกิดขึ้นทันทีเวลาเราทำบุญปรับใจเราก็มีความสุขขึ้นหรอิ่มใจอิ่มเอิใจสุขใจเราก็สามารถใช้ความอิ่มเอใจนี้อุทิศกับผู้ที่เขาหิวโหวยได้ให้ใหดวงวิญญาณของเขามีความอิ่มเอิบใจจากบุญที่เราทํานี่แต่การนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เราที่นั่งไปแล้วแทนที่จะมีมอิ่มเอิบใจกับรู้รสึกทรมานมากกว่ารู้สึกมันต่อสู้กับกิเลส ใจมันยังไม่รวมไม่สงบอะมันต้องได้อัปปนาสมาธินั่นนะมันถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นพระอาจาย์ึงไม่ได้สอนให้เรามามาอุทิศบุญในการมาฝึกสมาธิเพราะถ้าก่านจะได้ผลงั้คนที่นอนรับบุญเขาก็ไปเกิดที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ครับคุณอู๊ดครับหากถามว่าการทำวิปัสสนาต้องนั่งหลับตาเหมือนทำสมาธิไหมครับและวิธีทำวิปัสสนาเราต้อง เพ่งอย่างไรให้เห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ได้คิดเอาหรือนึกเอาครับคือการทำวิปัสสนานี้เหมือนไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้อยู่ในเรียบทไหนก็ได้หรือจะนั่งหลับตาทำก็ได้แล้วแต่<ม>แล้วแต่ข้อสอบที่เราจะทำเ<ม>ชน่นเราจะทำข้อสอบคือทุกเวทนาว่าเราจะสามารถพิจารณาทุกเวทนาให้เห็นว่าเป็นไตรลักษ ให้เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปอยากให้ทุกขเวทนามันเป็นไปตามคําสั่งของเราคืออยากให้มันดับมันก็จะดับนี่อันนี้ก็ต้องทำทำในทานั่งสมาธินั่งหลับตาก็ได้นั่งสมาธิไปแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาในร่างกายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็พิจารณาว่าความทุกข์นี้เกิดจากอะไรพิจารณาไปก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากให้ความ ให้ทุกขเวทนานี้หายไปหรือความอยากที่จะหนีจากทุกขเวทนานี้ไปมันก็เลยเกิดความทุกขทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งต่างจากทุกขเวท น, นาที่เป็นที่อยู่ในร่างที่มาจากร่างกายถ้าเราไม่อยากจะทุกขเวทนากับทุกขเวทนาเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกขเวท น, น, นานี้เป็นตายรักเป็นอนิจจังเขาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาช่วงนี้ก็เป็น ทุกเวทนาแล้วก็เขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้เขาต้องเปลี่ยนของเขาเองถึงเวลาเขาก็จะเปลี่ยนถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากทุกเวทนาไปเป็นศขเวทนาเขาก็เปลี่ยนของเขาเองแต่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับไปสั่งการได้เวลาก็เป็นอะไรก็ต้องถัดอยู่กับเขาไปซึ่งเวทนาสองชนิดอื่นนี้เราก็อยู่กับเขาได้เวลาสศพเวทนาเราก็อยู่กับเขาได้ เวลาไม่สุขไม่ทุกข์เราก็อยู่กับเขาได้แต่พอเจอเวลาทุกข์เขาเวทนาขึ้นมาเราอยู่กับเขาไม่ได้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราอยากให้ให้มันหายไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจเวลาที่เราเจอทุกข์เขาเวทนาเราก็ร่างสอนใจให้วางเฉยให้หัดอยู่กับทุกข์เขาเวทนาถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาเราก็จะสอนใจให้หยุดความอยากได้หยุดความอยากให้ทุกข์เขเวทนาให้หายไป ปล่อยให้มันอยู่ของมันไปอันนี้ก็คือเรื่องของการผ่านเวทนาอ่านเวทนาเวทนาทุกขเวทนาด้วยปัญญาวิปัสสนาให้มองให้เห็นว่าทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากทุกขเวทนาก็เป็นสุขเวทนาจากสุขเวทนาก็เป็นไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาแล้วแต่ปัจจัยที่ทําให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราไม่สามารถไปห้ามา ม, มันได้ควบคุมมันได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปเ ร, นเราอยู่กับเราอยู่กับเวทนาสองอย่างได้สุขกัเวทนาเราอยู่ได้ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็พอจะอยู่ได้แต่พอเจอทุกข์นี่เราเราเกิดอาการต่อต้านขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยทำให้เราทรมานใจอีกชั้นหนึ่งเราสามารถดับความทุกข์ทรมานใจได้ด้วยการอยอมรับทุกขเวทนา โดยการหยุดใจอย่าให้ไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปสอนใจให้อยู่เฉยๆอยู่กับทุกขเวทนาไปถ้ามีสติมีสมาธิมีโอเบคาก็จะอยู่กับมันได้อันนี้คือการเจริญวิปัสสนาแล้วแต่ข้อสอบที่เราจะถามมันเป็นข้อสอบข้อไหนส่วนข้อสอบเรื่องของความตายของร่างกายนี้ก็ต้องไปเจอกับภาวะที่ใกล้ตายขึ้นมาเข็นไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเตรียมตัวตายได้แล้วะ ตอนนั้นน่ะก็ต้องมาพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันมันเป็นตายรักเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับไม่ช้าก็เร็วอันนี้ก็ถึงเวลาที่มันจะดับแล้วที่จะเราทุกข์ทรมานเพราะเราไม่อยากให้มันตายพิจารณาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายตายแต่เราก็ห้ามความตายไม่ได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับความตายเราก็ต้องหยุดความอยากไม่ตาย อยู่เฉยทําใจให้ดึงเฉยๆเมลเบคขาอยู่กับความความจะตายความตายไปาอายุนอมยอมรับความตายได้ใจก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นการกระทํำวิปัสนาการจะทํำวิปัสนานี i มันก็มีสองสองแบบสองลักษณะแบบทําการบ้านและแบบทําข้อสอบทําการบ้าน ก, ก็คือทนตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์จริงใน ต, ตอนนี้เราเราก็รู้ว่า เราต้องเจอเวทนาทุกขเวทนาแล้วเราก็รู้ว่าต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิถึงจะสามารถที่จะหยุดมันได้เราก็มาฝึกสติมาฝึกสมาธิแล้วก็พิจารณาปัญญาให้เข้าใจว่าหลักของไตรลักว่าเวทนาเป็นยังไง ไ, ไม่เที่ยงอย่างไรควบคุมไม่ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นการทํากันบ้านไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้เจอข้อสอบยังไม่ได้เจอทุกขเวทนา จะเนื่อยกความตายแล้วก็คิดไว้ก่อนว่าร่างการนี้ต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาที่มันจะตายเราก็ต้องวกทําใจเฉยๆอย่าไปอยากไม่ตายอันนี้ก็ทกําการบ้านซ้อมไปก่อนเีจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องไปสอบเข้าห้องสอบจะไปหาข้อสอบมาทําก็ได้หรือจะรอให้ข้อสอบมาหาเราก็ได้มีสองวิธีถ้าใจร้อนอยากจะรู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ไปหาข้อสอบ ย่งพระปฏิบัติท่านก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ที่มันเปี่ยวที่หวาดที่หวาดกลัวที่หน้าหวาดกลัวที่มีภัยต่างๆมล้ดูเสียวอาน จ, จะสามารถทําใจให้เฉยๆเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับความตายได้หรือไม่อันนี้ไปหาความตายหาข้อสอบมาทำแต่ถ้ายังไม่กล้าที่จะหาข้อสอบก็รอให้มันมาหาเราก็ได้รอให้เป็นโรกมาเล้นหรือเป็นอะไรก่อนหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุใกล้จะตายทอนนั้น ดูซิว่าจะทําใจได้หรือไม่จะไม่ทุกข์กับความตายได้หรือไม่อันนี้เราวิปัสนาวิปัสนาต้องทํากับเหตุการณ์จริงอี น, นี้เรื่องมันเป็นการทําข้อสอบถ้าเป็นการเหตุจําลองคิ ด, ค, ดคิดไว้ล่วงหน้าก่อนจําลองไว้ก่อนอันนี้เป็นการทําการบ้านซ้อมไว้ก่อนมานับมวยนักมวยนี่ก่อนจะขึ้นไปชกุนทีจริงคู่ต่อสู้จริงก็เซาะกับคู่ซ้อมไว้ก่อน คุณซ้อมเขาก็จะไม่ได้เอาเอาเราอย่างหนักๆเหมือนกับของจริงใช่ไหมแต่พอจะให้รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนอเวลาขึ้นไปเจอของจริงนี่มันไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนค่ะหนักหรือเบาขนาดไหนจ ะ, จ, ะ จ, ะจะชนะเขาหรือไม่ ก, ก็ต้องอยู่ตอนขึ้นเจอของจริงนอันนั้นวิปันสนาจริงวิปันสนาแบบทําการบ้านก็เตรียมซ้อมค่อนวิปันสนาซ้อมกับวิปันสนาจริง แต่ก็ต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าไม่ซ้อมไวกาอขึ้นไปไม่รูจะต่อยยังไงไม่รู้จะต่อสู้ตายรักไม่รู้เป็นยังไงทุกเกิดจากอะไรไม่รู้อย่างนี้มันก็ไปไม่รอดก็ต้องอาศัยสติอย่างเดียวถ้าเจอเหตุการณ์ที่ใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติสงบใช้สติระงับความอยากได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก่อนพอใจไม่ไปคิดเรื่องอะไรหยุดความอยากได้ความทุกข์ตามใจก็หายไ ป, ไปชั่วคราว แต่มันไม่หายไปถาวรเขาหน้าเจอทุกขเวทนามันก็ทุกข์อีกเขาหน้าเจอความตายมันก็จะทุกข์อีกที่พาทุดงออกไปทุดงกันนี่ก็คือไปหาความตายทั้งนั้นเใชหมคอาจารย์ก็มันก็มีหลายอย่หลายอย่างที่ท่านต้องการว้าแต่ธรรมของท่านท่านอยู่ระดับไหนถ้าท่านยังไม่มีสติท่านก็อยากจะไปฝึกสติเพราะไปอยู่ที่ในป่าที่มันมีอั น, อนตรายมันจะทําให้มีความระมัดระวัง ความระมัดระวังนี้ก็คือการมีสตินี่กาจะได้ภาวนาทําใจให้สงบได้ง่ายอันนี้ก็ขั้นสมาธิสําหรับผู้ที่ได้สมาธิแล้วเราได้ซ้อมทําฝึกซ้อมทำวิปัสสนาแล้วก็อยากจะไปทดลองข้อสอบจริงไปดูของจริงก็ต้องขึ้นเวทีเหมือนนั่งมวยที่ซ้อมอยู่ที่ที่ที่ค่ายกับเวลาขึ้นเวทีจริงนี่มันไม่เหมือนกันนะ ตามที่ค้ามันก็ยังไม่ได้แบบว่าอาจริงเอาจักอะไรกันคู่ซ้อมก็ไม่ได้ชคแบบจริงๆรยั่งจังไม่เหมือนตอนเวลาขึ้นเวทีจริงอันนี้ก็แล้วแต่ระดับของผู้ปฏิบัติว่าอยู่ในระดับไหนบันนี้ยังไม่ได้สมาธิก็ไปใช้การไปเปกวิเว่อยู่ในป่ามันก็ช่วยทําให้ทําให้การเจริญสตินั่งสมาธิได้ได้ผลได้ง่ายกว่าสำหรับผู้ที่ได้สมาธิแล้วก็แล้วได้ซ้อม ตอนทำวิปสัสสนาแล้วอยากจะลึกอยากจะลองทําข้อสอบจริงท่านก็ไปอยู่ในป่าต้องไปแบบคนเดียวจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับหนูมีญาติสนิทกําลังป่วยหนักจะทําใจอย่างไรที่จะไม่ให้เครียดครับความคเครียดมันแล้วก็เกิดจากความอยากไม่พวดไม่อยากให้ญาติเราตายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออ ย, า, ยากจะให้ญาติเราหาย นี่มันเป็นต้นเหตุของความเครียดถ้าอยากจะหายเครียก็ต้องพิจารณาความจริงคือร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้หรือไม่โรคภายไข้เจ็บที่เขาเป็นอยู่นี่เราห้ามมันได้หรือไม่กำจัดมันได้หรือไม่เมื่อเรากําจัดไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแนะเขาอาจจะต้องตายไปถ้าเรายอมรับความจริงได้ความเครียดก็จะหายไปคุณอง่งุนเปรี้ยวครับ การทำสงแตกแยกต้องได้รับโทษอย่างไรครับ material, ก็ถือว่าเป็นอนันตเรียกรรมหนึ่งในห้าอนันตเรียกรรมเท่าๆออบการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือดทั้งสทําทํำสงให้แตกแยกเป็นสองฝ่ายอันนี้ก็ตกนับว่าคุมนุกที่สุดแต่วา พระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้สองแตกแยกยุอยูใองให้สงฆ์ไม่เคารพพระพุทธเจ้าะแยกเป็นให้ให้ไปเชื่อพระพุณให้ไปเชื่อพระเทวทัตแทนใ ห, ให้ให้ถือพระเทวทัตเป็นศาลเป็นอาจารย์แทนแล้วแยกเป็นสองฝ่ายอยู่ชั่วคราวตอนหลังพระเทวทัตทำทุกข์ผิดก็มาขอขอขมาลาโทษก่อนยียศถุนิสุกตายไป พระเจ้าบอกว่าพระเทวทันตนี้จะต้องไปตกนรกแต่หลังจากที่ตกนรกแล้วเนื่องจากเธอมีความสำนึกผิดที่ได้มาขอกมามลาโทษความจำนึกขืนนิยพะทำให้เธอสามารถกลับมาปฏิบัติท้งต่อได้ปฏิบัติใหม่ได้เราจะทำให้เธอบรรลุเป็นพระปฏิเจ้าพองท่านเจ้าต่อไปในอนาคต จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับนอกจากภาวนาพุโทโธแล้วจะใช้ธรรมะอะไรใช้ปัญญาอย่างไรครับก็ก่อนที่จะไปใช้ปัญญาได้ก็ต้องได้ได้สมาธิก่อนการใช้ใช้พุโทโธนี้เป็นการเจริญสติเป็นอุบายของการที่จะคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเลื่อยเปื่อยเพราะถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงการไปเทีย่ยวที่นั่นที่นี่การไป สิ่งนนสิ่งนี้ได้มันก็จะมันก็จะทำให้ความคิดน้อยลงไปเบาลงไปถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ความคิดก็จะหายไปเราต้องได้สมาธิก่อนจิตสงบนิ่งมีความสงบจากความความสงบแล้วก็มีอุเบกขาอุเบกขาก็คือการวางเฉยคาว่า อ, อ, อุเบกขาก็คือไม่มีอารมณ์รักชงกังโกรธหลง ซึงเกิดขึ้นจากการฝึกสมาธิจนจิตนิ่งสงบเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราถึงไปขั้นปัญญาต่อไปเพราะเราต้องใช้จิตที่สงบใช้ใช้จิตที่มีอุเบกขานี้มาม า, ามันเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาด้วยปัญญาปัญญาก็จะสอนให้เราเห็นว่าการกระทําตามความอยากนี่ยันําไปสู่ความทุกข์ใจเวลาเกิดความอยากนี้ใจก็ไม่สงบแล้วใจก็ ตื่นเต้นนะใจก็งดเหตุขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะให้ใจไม่ตื่นเต้นหงดเหตดก็ต้องหยุดความอยากถ้าท้าถ้ามีสมาธิมีสติมีอเุเบกขาก็จะหยุดได้สั่งให้มันหยุดได้แต่ถ้ายังไม่มีสติไม่มีสมาธิรู้ว่าความอยากมันตัวเป็นเหตุเราก็หยุดไม่ได้บางทีเราอยากอยางไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันหายแต่มันยังไม่หาย แล้วก็ทุกข์กัมันเพราะว่าเราอย่างที่คำถามเมื่อกี้เวลาที่มีคนป่วยที่เป็น ญ, ญาติเขาจะตายแล้วไม่สบายก็ใจก็เครียดหยุดความเครียดนี้ไม่ได้เพราะไม่มีสติไม่มีอุเบกขาไม่มีปัญญาอันนี้คือขั้นของปัญญาขั้นเบื้องต้นก็ต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธให้จิตสงบให้ได้อุเบกขาก่อนพมื่อได้อุเบกขาแล้วก็มาสอนจิตด้วยปัญญาให้เห็นให้พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายแล้ว ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับถ้ามันไม่ด้านมันเป็นอนัตตามันเป็นภาวะของธรรมชาติถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่ดับอย่าไปอย่าไปอยู่ความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์ก่มันอันนี้คือค่านปัญญาคุณกลินรัตครับถ้าเดินจงกรมอย่างน้อยต้องได้ยี่สิบเก้าใช่ไหมครับ ที่บ้านเดิน29ก็ต้องเดินขึ้นลงบันไดหนึ่งชั้นอย่างนี้ได้ไหมครับคืออนี้มันพูดถึงแบบทั่วไปแบบที่เวลาอยู่ในที่ลาบอยู่ในที่ในวัดที่ปฏิบัติธรรมนี่เขมักจะมีทางเดินยกคมกันระยะทางของงานเดินยกคมอย่างต่ำ็ไม่ควรที่จะน้อยกว่า29 mm hmm. เพราะว่าถ้ามันสั้นกว่นั้นมันเดิน้วมันาจจะเวียนศีรษะหนักมันต้องหมุนกลับไปกลับมาบ่อยเกินไป ไม่ได้ให้มี29เป็ น, ปนระดับกลาง ร, ระดับอย่างต่ำํำยังต้อง29บางท่านก็ชอบยาวก็ทําทํายมโคมให้ยาวขึ้นเป็น39 49ก็ได้อันนี้น้บแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ได้มีทิศทางเดินจยมคมแล้วก็อาสายการเดินทําอะไรในบ้านก็ได้เดินในบ้านเดินขึ้นลงบันไดก็ได้แต่ข้อสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่การเดิน อย่างเดียวมันอยู่ที่การเดินด้วยการมีสติแล้วไม่มีสติเป้าหมายของการเดินจกรมก็เพื่อฝึกสติจรรย์สติให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่เท้าที่เราก้าวไปก้าวมาให้เฝ้าอยู่ที่เท้าก็ได้เดินไปก็ลุกถ้าก้าวเท้าซ้ายก็ลุกก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ลุกก้าวเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไป เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆท่านั้นเองนี่คืออุบายของการเดินจงกรมสาเหตุที่ถ้าเราเดินจงกรมก็เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติมากเรานั่งไปตลอดตลอ ด, ตลอดเวลาไม่ได้นั่งไปนานมันก็เมื่อยมันก็ปวดแข้งปวดขาปวดอะไรได้ก็ต้องเปลี่ยนทีรียบร้มาเดินแทนมาเดินแล้วเราก็เดินด้วยการมีสติก็เหมือนกับการนั่งสมาธิแทนที่จะนั่งสมาธิเราก็เดินสมาธิ หรือถ้าเราเมื่อจากการเดินเราจะยืนเฉยๆก็ได้เหมยืนสมาธิก็ได้ยืนเดินแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดูลมายจขาขก็ออกในขณะที่เรายืนก็ได้มันก็เป็นวิธีการปฏิบัติเจริญสติสมาธิเหมือนกันคุณพีรยุทธ์ครับบอกว่าวางพระพุทธรูปไว้หน้ารถหันหน้าไปทางไหนดีครับ ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีกฎตายตัวแล้วแต่ความเหมาะสมะแล้วกันมีคนถามนะครับว่าถ้าเราหมั่นไข้ควรปฏิจจสุบบาทเพื่อค่อยๆตัดวงจรการเกิดดับไว้ใช้เมื่อเราใกล้าตายหนึ่งนี้เป็นผลดีไหมครับมันตัดไม่ได้ถ้าเราไปพิจารณาปฏิจจสมูบบาทนะถ้าต้องการจะตัดวงจรก็พิจารณาตายรักมันงจะตัดได้ เพรตัวที่เป็นตัวปัญหาก็คือความอยากความอยากเพราะมันไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นไตายักมันคิดว่าเป็นอนี้จจมันเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันก็เลยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มาแล้วมันก็ทุกข์นะแล้วมันก็ติดอยากจะได้อีกถึงแม้จะทุกข์ถึงแม้จะเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็ไปหาใหม่นะคนอยู่คนเดียวเหงาก็ต้องมีแฟนพอได้แฟนมาอยู่กับแฟนทั้งวันเลิกกัน แล้วกันแม่ก็หาแฟนใหม่ขณะตอนที่เลิกก็ทุกข์ใจเสียใจแต่มันก็เดี๋ยวเดียวแล้วมันก็มาทุกกับความเหงาอยู่คนเดียวก็ทนกับความเหงาไม่ได้ก็ต้องไปมีแฟนใหม่อันนี้พ่อไม่เห็นตายรักเนี่ยไม่เห็นตายโง่เดี๋ยวไปมีแฟนใหม่มันก็อีหลอกเดิมเดี๋ยวก็ต้องมาจากกันเองก็ต้องมาทุกข์อีกแต่เห็นตายรักว่าไม่เอาดีกว่าอาจอยู่คนเดียวนี่ปะ หยุดความอยากที่จะมีแฟนพอหยุดก่อนอยากมีแฟนได้มันก็ไม่ทุกขนะ์แล้วอยู่คนเดียวได้สบายบ อ, อาจารย์ ค, ครับคราวนี้มีข่าวตอบแล้วครับอาจารย์ครับช่วงนี้มีการเข้าคอร์สออนไลน์ครับอาจารย์บอกว่าสอนให้เป็นพระโสดาบันฉบับวิธีรัดแล้วเก็บเงินเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ง่ายๆจริงหรือครับ ง่ายก็ดีแต่จะได้มีพระยะอริยบุคคลเยอะแยะไปหมดแต่มันก็ผิดหลักของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนธรรมะโดยไม่เก็บสตางค์ให้กับใครไม่เก็บสตางค์จากใครเป็นการให้ธรรมทานเพราะว่าถ้าไปเก็บเงินก็แสดงว่าคนที่ไม่มีเงินก็เป็นเป็ น, ปนโสดาบันไม่ได้ต้องคนที่มีเงินเท่านั้นเองเป็นโสดาบันได้ซึ่งตามหลัก ที่พระเจ้าได้ส่นำเนินมาคนที่บรรลุเป็นพระอะรคยบับคคลที่มาจากทุกระดับชั้นของของคนในสังคมตั้งแต่ขอทานขึ้นไปยจงถึงเป็นพระราชาหมากษัตริย<อ>์ห<ล>มาเศรษฐีสามนารถเป็นได้หมดแล้ววิธีการสาวพระญญ า, ราก็ไม่ได้เป็นบางที่ไหนก็อย่างแจ้งชัดเจนมันแบบ่งแปดถ้าปฏิบัตินอกเหนือจากมั่งแปดแล้วยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งก็รับประกันได้ว่าเป็นไม่ได้ มันยญางสมัยนี้จะหนีเรื่องการฝึกสมาธิกันไม่อยอมฝึกสมาธิไม่อยอมไปถือในยขมะอยากปฏิบัติแบบฆ่าศีลห้าแล้วพิจารณาด้วยปัญญาเลยพิจารณาตายลั่นพอเข้าใจ Open ata, ออกเปนนาตาใจก็เข้าใจคี่ว่าปล่อยวางได้อันนี้ปล่อยวางแบบเชิงการเชิงทับการบ้านไงวิปัสสนาแบบแบบฝึกซ้อม ยังไม่ได้ไปเจอของจริงถ้าอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงก็ต้องส่งคนนักที่มาจากเงินนี่นให้ไปเสี่ยงตายดูที่ในป่าในเขาให้ไปอยู่ในเขาตามลําพังสักสาวันอยู่คนเดียวอย่างนี้ดูว่าไปเจอสิงสารสาัตว์ไปเจอที่สิ่งนี้ได้ปวย mm hmm. เขาทําใจได้หรือไม่ให้เขานั่ง น, ง น, ง น, งงนงานๆ mm hmm. นั่งแบบให้มันร่างกายเจ็บปวดแล้วไม่ต้องขยับอันนั้นแหละมันถึงจะได้ ได้ทําข้อสอบจริงไม่ใช่มันนั่งคิดเฉยๆคิดว่าอ๋อเวทนามันมันเป็นอนิจจังเราต้องปล่อยวางให้มันเป็นไปเราอย่าไปอยากก็คิดได้แต่มันทําได้หรือเปล่าต่างกันการคิดกับการทํามันไม่เหมือนกันการสอบกับการทําข้อสอบมันไม่เหมือนกันการทําากรบ้านกับการทําข้อสอบไม่เหมือนกันส่วนใหญ่บ้าจะบรรลุด้วยการขั้นขั้นขั้นตอนของการทําข้อสอบ การการทําการมากกันแต่ไม่เคยไปเข้าข้อสอบเข้าห้องสอบกันคุณกุลครับมีข้อสงสัยว่าการเทรดค่างเงินหรือฟอเร็ตผิดสีนห้าหรือไม่ครับไม่มันก็เป็นการซื้อขายสินค้าชนิดหนึ่งเงินตาก็าเป็นสินค้าเหมือนซื้อข้าวซื้อข้ามาขายซื้อข้ามากรสอบหนึ่งซื้อมาร้อยขายร้อยี่สิบนี่มันก็เป็นเรื่องของการทํามะเก่ง น, นั่น ถ้าขายไปตามปกติคุณแคทครับบอกว่าถือศีลห้าปฏิบัติธรรมทาทานทํามากน้อยแค่ไหนจะได้เป็นพระโสดาบันในชาตินี้ครับเป็นไม่ได้หรอกก็ได้แค่เป็นฆาตเทวดาทั่านเองถือศีลห้าทำทานอนุกุลวิกระาขั้นต้นคือได้สวรรคร์นะอาจจะไปนิพพานนี่ยังต้องไปปฏิบัติเนธขมะ เลิกเสพการเลิกเที่ยวเลิกเสริมสวยความงานทางร่างกายต่างๆนุ่งขาวห่มขาวแต่งกายเรียบง่ายไม่ใช้เครื่องสมอางไม่ใช้เครื่องหอมอะไรต่างๆแล้วก็หยุดการหาความสุขจากการดูการฟังอะไรต่างๆทั้งหมดการดื่มการกินอะไรกันต่างๆก็ไม่เอาแล้วก็เอาเวลาไปปีกวิเวกอยู่ที่สงบเดินโยกคมนั่งสมาธิทําจิตให้สงบก่อนถ้าการสงบแล้วค่อยไปทางปัญญา ให้เห็นไตนั่นงเห็นนรีรสัตว์สี่ป่อยวางความอยากหยุดความอยากทั้งหลายที่มีใน ใ, นใจได้เราจะได้ในในเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกถ้าง่ายป่ญญายัมีพระโสดาบันเดินชนกันเต็ไมไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับคุณก้าวเดินครับ ต้องทำงานร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัวแล้วรู้สึกไม่ชอบต้องวางใจอย่างไรครับก็เราต้องเปลี่ยนใจเราอย่าไปไม่ชอบเขาสิเราต้องรู้ว่าความไม่ชอบของเราเนี้ยที่ทำให้เราไม่สบายใจไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เขาเห็นแก่ตัวความไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวของเรานีนะ่มันทำให้เราไม่สบายใจถ้าเรายากสบายใจเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าอยู่ในโลกนี้มีคนหลากหลายด้วยกัน มีทั้งคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่เห็นแก่ตัวก็มีแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุม เ, เขาไม่ได้เราก็ทำใจเฉยๆอย่าไปรักอย่าไปชังเขานั่นเองเราก็จะไม่ไม่ทุกข์กับเขาเวลาเราอยู่กับเขาเ้วเจอเขาคุณแบมครับถ้าโดนคุณใส่กระทำกับจิตควรทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นครับ มันไม่มีหรอกมันเป็นความเชื่ อ, มองมงายเชื่อไปมันก็จิตมันก็เลยเป็นไปตามความเชื่อความดีไม่มีอะไรจิตปรุงแต่งเองเขาเชื่อไปเองรับรู้เวทนาทั้งทางกายทางใจยิ่งรับรู้ยิ่งตึงบริเวณหน้าผากพอย้ายจิตไปรับรู้ภายนอกจิตคลายลงเป็นอะไรครับมันวิธีปฏิบัติแบบโมเมไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่ต้จะพูดยังไง กาปฏิบัติเราไม่ ป, ปฏิบัติแบบนี้การที่เราจะดูเวทนานี้เราเราต้องมีกำลังที่อยาดูยูแลปล่อยวางได้เห็นดูสุขทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกเวทนาดูว่ามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปรักไปชังกับมันไม่ได้เราต้องเฉยเฉยกับมันคุณแอนครับ การเปลี่ยนถามว่าภาวะจิตรวมตัวลงเป็นอย่างไรครับก็เหมือนกับที่เราหยุดคิดหยุดอะไรทุกอย่างมันรถยนต์่ะที่เวลามันจอดมันนิ่งมันก็เงียบใช่ไมเครื่องยนต์ก็ไม่มีการไม่ไม่ไ ม, มีการทํางานรถก็ไม่มีการขึ้นไหปเพราะว่าของจิตรวมก็เป็นแบบนั้นจิตก็จะว่างจากความคิดปุงแต่งจิตก็จะเย็นจะสบายไปความสุขขึ้นมา คุณกุลนิกาครับแนะนำวิธีการตื่นจากจิตตื่นค่ะคือตอนนี้ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินเจริญสติจ น, จนจิตตื่นและไม่มีอาการง่วงนอนไม่คิดปรุงแต่งแต่มีจิตตื่นมาได้เดือนกว่าไม่ง่วงนอนและตอนกลางคืนจะไม่ง่วงนอนไม่หลับตื่นทุกๆชั่วโมงแต่ไม่มีอาการเพลียพอไปวิ่งหนอกำกลังกายไม่มีอาการเหนื่อยเลยเวทนานดับเอาจิตจ่อไว้ข้างในร่างกายยิ่งทาให้จิตตื่นกว่าเดิมครับ การเจตเตือนก็ดีแตก็ปล่อยมันตื่นไปแต่อย่าให้มันเตื่นตื่นเต้นมากเกินให้มันเตือนแบบสงบนิ่งเย็นสบายไม่มีอารมณ์รักชังกลงัวหลงอันนั้นนะคือวิธีการที่ถูกต้องแต่ถ้ายังมีอารมณ์เกี่ยวกับรักชังกลัวหลงอยู่ก็ยังไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องคุณจุไรรัตครับญาติป่วยสามารถทําบุญให้กับคนป่วยได้ด้วยวิธีใดครับ ก็มันให้คนป่วยก็ทํำแต่บอกเขาว่าอยากจะทําบุญไหมจะช่วยช่วยบริการให้แต่ต้องเป็นความคิดของเขาเองการจะทําบุญนี่ต้องเป็นความคิดของเขาความอยากของเขาที่จะทําบุญและเราเป็นของของเขาที่เขาต้องเสียสละไปเขาถึงจะได้บุญได้ความสุขใจอย่มใจคนที่โสดคือคนที่มีบุญใช่หรือไม่ครับ มันไม่เกี่ยวกันหรอคนที่มีครอบครัวมีบุญก็มีเยอะๆไปมันไม่ได้อยู่ที่จะโสนและไม่โสคนที่ไม่มีคนที่โสนอาจจะเพราะอาภาัพวาสนาหาคู่ไม่ได้ก็มีเปหลายสายาเหียวู่ไม่ได้ตอบไม่ได้ครับผมอย่างรับไปนะครับคุณพรตตี้เพลครับ ละรูปฌานละอรูปฌานในขั้นปฏิบัติคือทําอย่างไรครับก็เฉยๆอย่าไปเข้าฌาน่เวลาอยากจะให้มีความสุขจากรูปฌานก็ก็ไม่ต้องเข้าไปพอเห็นโทษเหมือนกับคนที่มีความสุขที่ติดการการการะทําอะไรการดูภาพยนตร์เนี่ยก็อย่าไปดูภาพยนตร์นั้นจะได้ไม่ติดนพอต่อไปไม่ติดแล้วที่ไม่มีภาพยนตร์ดูไม่มีภาพยนตร์ดูเราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราต้องติดภาพยนตร์อยู่เราก็ต้องคอยหาภาพยนตร์มาดูอยู่นี่เงี้เวลาที่ไม่มีภาพยนตร์อร ย, อยู่ก็รู้สึกหนารู้สึกว้าวเวขึ้นมาคือเราให้เลิกติดเขาการการากเข้ามาก็ให้เราเลิกติดรูปประชาหรือรูปประชา ญ, ปปชาญอย่าไปติดมันอย่าไปเพิ่งมันให้ความสุขกับเรา มีความสงสัยว่าเราทําพิณายกรรมว่าเราตายแล้วให้บริจาคร่างกายหรือสมบัติเป็นสาธารณะแบบนี้เราได้บุญหรือไม่ถ้าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ไงเวลาที่เราตายไปแล้วว่าสิ่งร่างกายของเรานี้ใครเขาไปทําอะไรบ้างอย่างไรเราไม่รู้แล้วเราต้องรู้ว่าเราได้ทําอะไรได้บริจาคอะไรไปเพราะเมื่อเราได้บริจาคสิ่งที่เรารักไปเราจะรู้สึกเบาใจสุดใจขึ้นมา แต่ตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับการที่เขาจะเอาร่างกายเราไปทำอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ได้บุญในขณะที่เราถ้าอยากจะได้บุญจากการบริจาค ก, ก็บริจาคเลือดสิเวลาเราบริจาคเลือดแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักเราหวงคือเลือดของเราไปบริจาคไปแล้วมันก็เราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาหรือถ้าเรามีคนรักเราเขาตาย พ่อแม่เราหรือพี่น้องเราเขาเลลูกเราตายเขาไวายไปเขาจะตายถ้าไม่ได้รับการเปลี่ยนตายแล้วตายของเราสามารถใช้แทนใช้ใช้ให้กับเขาได้เราก็บริจากตายไปทางไหนอย่างเนี้เราจะได้บุญเพราะเรารู้ตัวเรารู้ว่าเราได้เสียสละของที่เรารักเราห่วงเพื่อให้คนอื่นก็ได้รับประโยชน์สุขจากการเสียสละของเรามันก็ทําให้เราเกิดความสุขจใจอิ่มใจขึ้นมาได้บุญขึ้นมา ต้องทำในขณะที่เรารู้สึกตัวคุณกระแตครับถามว่าการเห็นนิมิตเห็นเลขหวยหรือฝันแล้วมันถูกเรารู้ว่าเป็นกิเลสแต่เราก็คิดได้ไหมว่าบุญช่วยครับก็จะแล้วแต่จะคิดเอยะก็ต้องก็ดูว่ามันบางทีมันเป็นของบังเอิญหรือเปล่าหรือมันมันเป็นของแน่นแน่นนอนหรือเปล่าครั้งนี้อาจจะถูกครั้งหน้าดูก็ดูไปเรื่อยๆเก็บสติไว้ก็ได้ อ้าเห็นทุกครั้งว่าถูกทุกครั้งก็เอาถือว่าเป็นเป็นก็เรียกอะไรเป็นเป็นเป็นความสามารถพิเศษของเราคือเรามีตาทิศมองเห็นอนาคตได้เห็นอนาคตว่าเลขจะเป็นเลขอะไรออกมาคุณเก้าเดินครับคําว่าปรมัตถธรรมคืออะไรครับอันนี้ก็เราก็บงทีก็มัน มันหมายถึงเป็นทําที่มันไม่ใช่เพนสมมุติอย่ครับหรืออะไรมันไม่ไม่แน่ใจต้องขอขออภัยด้วยต้องไปปดดรับดูอีกทีนึ่งเี่นนี้คุณโซล่าครับสละทรัพย์สมบัติให้ลูกอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ให้ใครก็ได้ทั้งนั้นนหะแต่ต้องทำตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เขียนพี่นายกรรมไว้ว่าเวลาตายเวลาททรัพย์ส่วนที่ให้ลูกคนนั้นลูกคนนี้ตอนนี้ตอนนั้นไม่ได้บุญนะเพราะไม่รู้ว่าเขาแบ่งทรัพย์กันจริงหรือไหม่หรืออาจจะขึ้นศาลสตีกันก็ได้ทะเลาะกันก็ได้คุณนกถามว่าลูกชายอายุยี่สิบปีเสียชีวิตไปเจ็ดเดือนแล้วเขาจะไปไหนครับถ้าไม่มียาอย่า ง, างร้บก็ไม่สามารถจะรล้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาทาบุญทาบามาบ า, าน้อยเพียงไร คุณใบยกครับการจะเลิกเสพรลลูปฌานอรูปฌานต้องใช้ปัญญาช่วยลูกเข้าใจถูกต้องไหมครับแต่ปัญญามันยังไม่สามารถเกิดได้ทันทีคือยังไม่ใช่เห็นปุ๊บใช้ปัญญาดับปั๊บเขาบางทีก็รอเป็นสิบชั่วโมงเลยครับอ๋ออันนี้มันเป็นทำขั้นสูงก่อนที่จะละลระลูปฌานรูปฌานน่เราต้องละการมงคลให้ได้ก่อนละการมติหาให้ได้ก่อน าการจละการมาถานก็ต้องมีปัญญาเห็นตายรักนะครัถ้าเรามีเห็นปัญญาเห็นตายรักเราละ ก, การมคุณห้าได้เราก็ใช้ตายรักแบบเดียวกันเพื่อไปละรูปประชานกับรูปประชานซึ่งมันง่ายนะว่ามันเหมือนกันเพียงแต่มันเปลี่ยนวัตถุเทนะ่า<ม>ั้นเปลี่ยนจากจากการมคุณห้มาเป็นรูปประชานกรูปประชาน น, ะปปา น, น, นั้นเองเพ็นแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เรากล้าเราอาจจะคิดเราอาจจะ ลืมไปว่ารูปฌานนะรูปฌานก็เป็นตายรัแล้วก็อาจจะยังไปติดอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าทํำไมจิตเรายังไม่ดุจพ้นสั่ทีทำไมยังมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆพอพิจารณาที่อ๋อที่มันทุกข์เพราะมันยังติดรูปฌานอยู่อรูปฌานอยู่ก็ใช้ใช้ปัญญาแก้ได้ทันทีว่ารูปฌานมันก็เป็นตายรักก็ต้องไม่เสกอะไรที่เป็นตายรักนี่ต้องต้องปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมันเป็นอานขาดอย่าไปอยากกับสิ่งที่เป็นตายรัก คุณการดีครับแล้วกวนขอข้อมาจากเรื่องรูปฌาน4ี่ในแง่ของการปฏิบัติครับก็นี่แหละการฝึกสมาธิฝึกสติให้มีสติคอยควบคุมความคิดเช่นให้มีคำบริกรรมรรพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องหรือ ว, ว่าการนี่หมายถึงในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเราต้องฝึกสติก่อนฝึกสติคอยควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆหรือ ว, ว่าการใช้ การเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเปลียาบทอย่าให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่คนนั้นคนนี้ถ้าาเราสามารถก็คุมจิตให้อยู่ในระดับนี้ได้เวลานั่งสมาธิเราก็สามารถที่จะทําจิตให้สงบเป็นฌานได้โดยการใช้จะใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือใช้คําะไรใช้การเฝ้าดูกวามายใจเข้าออกไปก็ได้สุดแท้แต่ว่าจะถนัดแบบไหน แล้วจริงก็จะเข้าสู่ชาญนขั้นต่างๆไปโดยอัตโนมัติคุณไลโคพีนครับถ้าสมมติว่าเรียนภาษาแต่งประโยคที่ไม่เป็นความจริงส่งให้เจ้าของภาษาตรวจแบบบอกเขาก่อนว่าจะส่งข้อความที่ไม่จริงเช่นมดตัวใหญ่กว่าช้างแบบนี้ผิดสีหรือพูดเพิร์เจอร์ไหมครับอาจารย์ไม่หรอกแล้วก็พูดความจริงอั น, นี้อาจจะเป็นเรื่องการทางานเรื่อ ง, รงรอเรื่องของเรื่องของ เรื่องของการทํางานใช่ไหมที่เราทํานั้นเพราะเราต้องการที่จะรู้ว่าเราแปลถูกให้เขาช่วยตรวจให้มันก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงแล้วเราก็บอกลูกหน้าเขาว่าก่อนว่า น, นี่เป็นเรื่องของมันไม่เป็นความจริงนะเป็นเรื่องของการทดลองภาษาครับคุณจิรวัตรครับ ขณะที่ขับรถระยะทางไกลเช่นขับออกต่างจังหวัดผมจะระมัดระวังกับการขับขี่และไม่เปิดพิธียุหรือเพลงฟังแต่เนื่องจากระยะทางที่ไกลจึงมีความคิดอื่นๆเข้ามาในใจผมควรจะภาวนาพุโทโธในใจเพื่อกําจัดความคิดเหล่านั้นที่เข้ามาให้ออกไปควรทําแบบนี้ได้ไหมครับกับเรียนถามครับที่มันมีความคิดเข้ามาก็เพราะว่าเราไม่มีสติอยู่ยกับขับรถตลอดเวลานั่นเองเราขับรถไปแล้วเราก็ปล่อยให้ความคิดเข้ามา ก็ลองใช้ให้มีสติคอยเฝ้าดูการขับรถของเราให้ใ ห, ให้ชิดให้มากขึ้นดูเพื่อที่จะให้มันไม่คิดไม่ว่าถ้าจะใช้คําบริการพุทธโธช่วยราดน้ำความคิดก็ได้แต่เราก็ต้องระวังว่าเราอยากไปอยู่กับพุทธโธจนเลยเรื่องของการขับรถไปเราต้องถือว่าเรื่องของการขับรถนี่เป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องคอยจดจอ่อ เรื่องของการบริกรรมนี้อาจจะมาช่วยเสริมในการที่จะป้องกันไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ได้แอย่าไปถือเรื่องของการบริกรรมพุทโธเป็นเรื่องหลักแล้วเรื่องเรื่องมเรื่องของการขับรถไปอ่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นภัยได้เป็นอันตรายได้จากคุณชาเย็นครับเห็นท่านอาจารย์บอกว่ากายจะเจ็บให้มันเจ็บกายไม่ใช่ตัวเราเวลาป่วยมันทนไม่ได้จะฝึกอย่างไรครับ ก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบนิ่งมีอุเบกขาแล้วต่อไปถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็สามารถทําใจให้นิ่งเฉยๆได้ไ ม, ไม่ไม่ทไม่ทรมาน ก, กับความเจ็บของร่างร่กายคุณวันธนาครับจิตละเอียดเป็นอย่างไรครับแล้วทําไมการปฏิบัติธรรมจึงนั่งสมาธิจึงเป็นบุญมากครับ ก็คือการขัดจิตใจก็เป็นสิ่งที่เราขัดเกาวไปเรื่อยๆที่เรากําจัดสิ่งที่ทําให้ใจห ย, ยามก็คือ ก, กิเลสเนี่ยมันมีสามตัวสามระดับกิเลสที่แบบแบบหยาบแบบกลางและแบบละเอียดเนี่ยวเวลากำจัดกิเลสแบบหยาบได้จิตก็มก็ลดจากความหยามมาเป็นจิตที่ไม่กลายเป็นจิตกลางกัน้นะจากจิตถ้าเรากำจัด ได้ก็จะทำให้จิตระอีกขึ้นไปตามลาดับความะเอี๊ก็คือสงมบมากขึ้นนั่นเองความทุกข์น้อยลงความอยากน้อยลงไปคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับคนที่ตกนรกถูกลงโทษต่างๆถูกแทงเมื่อปีนขึ้นต้นนิ้วร่างที่ถูกแพถูกลงโทษคือร่างใดครับก็ <S 1> <S 1> <S เป็นกายทิพย์ร่างทิพย์ที่ใจที่ใจปูกแต่งขึ้นมาสา ร, ร้างผลิตขึ้นมา มันเป็นเรื่องของความฝันนะนรกสวรรค์นี่มันเป็นเรื่องของความฝันเวลาที่ร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปนี่จิตก็อยู่ในภาวะของโลกของความฝันก็จะฝันเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีแล้วแต่บุญแะบาปที่เราได้ทําเอาไว้เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยตอนที่เรานอนหลับก็เหมือนตายชั่วคราวเพราะตอนนั้นร่างกายก็ไม่ได้ทํางานเราไม่ได้ใช้ร่างกายทํางานครับเราก็ใช้บุญรือบาปที่เราได้ทําไว้มาเป็นตัวสร้าง สร้างเงาให้เราได้เสกกันคุณนัทวะไรพันธ์ครับเรียนถามถ้าเราทําบุญสามสิบเปอร์เซ็นต์ทบาปเจ็ดสิบตายไปแล้วเราไปรับผลบุญก่อนสี่สิบเมื่อผลบุญและผลบาปเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าชาตินี้เราต้องรับผลบาปใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกถ้าเรามีบุญสามสิบาปเจ็ดสิบบาปมันก็ไปก่อนไงบาปมันก็หนึ่งไปก่อน ไม่ทราบสี่สบมาจากที่ไห น, นส่วนตา่างเลยมันไม่เกี่ยวกับที่ส่วนตา่างมันอยู่ที่ว่าส่วนไหนมันมากกว่ากันบาบันมากกว่าสี่สิบเอร์เซ็นตก็ต้องไปรับผลบาบก่อนใช่ไหย ม, มันจะไม่ใช่ไปรับผลบุญก่อนเ อ, อถ้าบุญเจ็ดสิเปอร์เซนอย่างเงี้ยถึงจะไปรับผลบุญก่อนจนกว่า็นกว่าส่วนตา่างมันมาเท่ากันสามสิบต่อสามสิบ ตอนนั้นก็ไปสวรรค์ไม่ได้ไปไปอบายไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์ก่อนแต่ยังมีบาปกบุญเก่าค้างๆอยู่ในใจอยู่สามสิบต่อสามสิบคุณอู๊ดครับเราทําภาวนาควบคู่กับพิปัสนาได้ไหมครับมีวิธีตรวจสอบก่อนไหมครับเราควรทําวิปัสนาได้แล้วเ อ, อต้องทําสมถะก่อนก่อนที่ไปทํำพิปัสนาจิตต้องนูนเป็นสมาธิให้ได้ก่อนจิตต้องนิ่งสงบ เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบมีนิเบคขามีความรู้สึกใจที่ไม่มีความนักชั่โกลงในขณะที่อยู่ในสมาธิให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปทำวิปัสสนาต่อไปคุณลูกหินครับคนที่รวยแสดงว่าเขาให้ทานมาเยอะตั้งแต่ชาติที่แล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่แน่นอนเพราะเหตุที่จะทําให้รวยให้มันรวยได้หลายวิธี โวยเพราะเพราะทานที่เราทำมาก็มีโวยเพราะขี้โกงก็มีมันไม่มันไม่น่ารมันมันมันมีหลายสายเหตุด้วยกัน้นเราต้องู้จักแยกแยะคุณยาหอมครับจิตที่เกิดดับตลอดเวลาถ้าจิตเข้าสมาธิแล้วจิตยังเกิดดับอยู่หรือเปล่าครับคว่าคือจิตเกิดดับก็คือจิตนันมีการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง คือมีเวทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใ น, นมีความคิดปรุงแต่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใ น, นจิตเขาเรียกว่าจิตจิตเกิดจิต ด, ดับนะครับหนตัวจิตเองมันไม่เกิดมันไม่ดับเวลาจิตเข้าสมาธิมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุ้อย่างที่เกิดดับมันหยุดชั่วคราวก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันหยุดทํางานชั่วคราวจากพี่แท็กครับ นั่งสมาธิกับใส่บาทอย่างไหนได้บุญมากกว่าครับมันก็บุญคนละอย่างกันไงใส่บาทนี่ได้บุญแ น, น่ๆนั่งสมาธิถ้ายังไม่ได้ผลก็ไม่ได้บุญเลยการฟังธรรมได้บุญไหมครับเทียบกับการทําทานอันไหนได้บุญมากกว่าครับการฟังธรรมท่านท่านฟังแล้วจิตสงบเป็นสมาธิก็ได้บุญแล้วจิตเกิดปัญญา บรรลุธรรมขั้นสูงได้คือขั้นพระโสดาบันได้ก็ได้บุญแต่ถ้าฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ยังไม่ได้บุญอะไรเอางดใจก็ยังไม่สงบก็ไม่ได้บุญอะไรคุณปใบยก ค, ครับถ้าเราผ่านเวทนาแล้วเวลานั่งอีกจะเกิดเวทนาอีกหรือไม่เกิดแล้วหรือเกิดแตเราวางเฉยได้ครับมันเกิดเวทนามันก็ ม, นน ม, นนน ม, มันเป็นอนิจจังเปนอนต่ามันก็เกิด กิดับเกิดดับขอมันไปแล้วแต่ภาวะเหตุการณ์ส่วนส่วนถ้าเราเคยทําใจวางเฉยกับมันได้แล้วทุกครั้งที่เราเจอมันเราก็วางเฉยได้เราก็ไม่ทุกกับมันได้คุณต้องตาครับสอบถามเรื่องสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิครับคือสมาธินี่มันมีอยู่สองสองแบบเหมือนกันเรียวกว่าสามแบบก็ได้คณิกะสมาธิ อปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิคณิกาสมาธิคือจิตสงบรวมสงบนิ่งหยุดความคิดตรุงแต่งด้วยช่วงหนึ่งขณะแบบช่วงงูลแลบลินล้นหรือแบบฟ้าแลบสงบปุบนล้วก็ถอนออกมาเรียกว่าคณิกาสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตรวมลงสงบนิ่งสงบไม่มีความคิดตรุงแต่งแต่นิ่งไม้นานอยู่ได้นานมากกว่ ขั้นหนึ่งขณะก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอาจจะเป็นห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตนิ่งเฉยสักแต่ว่ามีความสุขที่เกิดจากความสงบและก็มีอุเบกขาคือไม่มีความรับช้ำโกรธในขณะนั้นสมาธิสองแบบนี้เราเรียกว่าเสีว่าเป็นเป็นสมาสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่จะสนับสนุนการเจริญวิปัสสนาเพื่อดับความทุกข์ต่างๆต่ๆอไป คงใช้สมาธิสองแบบนี้คงใช้สมาธิแบบอัปปนาสมาธิแต่เริ่มต้นเราก็อาจจะได้แค่คนนัณิกาก่ อ, อนเพราะสติเรามีก ำ, ำลังน้อยสามารถมีุดความคิดได้ช่วงวัฟหนึ่งแค่นี้แล้วมันก็กลับคิดปรุงแต่งหม่เราก็ฝึกสติไปบ่อยบ่อยฝึกให้มากขึ้นเรื่อยๆนั่งสมาธิให้เรื่อยๆบ่อยๆต่อไปก็จะได้สง บ, บได้นานขึ้นส่วนสมาธิอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธินี้ หมายถึงสมาธิที่เวลาจิตรวมแล้วนิ่งสงบแล้วไม่อยู่ไม่อยู่เฉยๆไม่สักแต่ว่ารู้ไม่มีไม่มีอุเบกขากลับออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกที่คือมีมีอภิญญามีตาทิพย์หูทิพย์สามารถติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้อันนี้เป็นสมาธิที่ไม่มีประโยชน์ต่อการไปเจริญวิปัสสนาพเพื่อลากิเลสดับความทุกข์ใจถึงเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ ผู้ที่มีความสามารถในสมาธิแบบนี้ต้องระมัดระวังซึ่งก็ดีอย่างถึงว่ามีน้อยคนที่จะสามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิได้ถ้าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเห็นกรูบาอาจารย์นะว่าร้อยนะ่าจะมีสักห้าคนที่จะมีความสามารถที่จะมีตาทิพย์ภูทิพย์ระลึกชาติได้อมีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆได้นมีน้อยแต่ถ้ามีต้องระมัดระวัง ถ้าต้องการจะไปทางวิปัสสนาเพื่อละกิเลสตัณหาอยากไปทางนั้นเวลาจิตมันจะออาากจะเวลาจิตโนมแล้วมันไม่อยู่ใช่ไมันจะเอาไปเที่ยวดึงมันกลับมาให้มันอยู่ในอัปปนาสมาธิเราดึงมันกลับมาได้ให้มันอยู่ในอัปปนาสมาธิเพื่อจะได้มีอุมเบกขาเราก็จะได้ใช้อุมเบกานี้ไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาที่เราเจริญปัญญา เมืเ่อพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราก็คือความอยากบิเลตันหะเราก็หยุดมันได้แต่ถ้าเรามีอยู่ถ้ า, าไปทําอุ ป, ปจารสมาธิว่าเราจะไม่ได้มีอุเบกขาใจยังไม่มีกําลังออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนใจจะไม่มีไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสความอยากได้ยังไม่ควรไปทาง ทางอุปจาระสมาธิถ้าเรามีวาสนาไปในทางนั้นอย่างพระเทวทัตนี่ก็ไปทางอุปจาระสมาธิในเวลาเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาหยุดเป็นไม่ได้กลับกลายเป็นต้องรับใช้ความโลภความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากเป็นใหญ่ก็ขออนุญาตจากพระเจ้าขอเป็นผู้ละปฏิบัติแทนหน้าแทนพระเจ้าต่อไปพระเจ้ากำลังว่าเนี่ยเป็นความ เพราะว่าท่านมีความสามารถท่านพระเทวดามนท่านมีอภินญ์ยาท่านก็คิดว่าท่านเก่งแต่ไม่ได้เก่งในทางธรรมเก่งในทางทางกิเลสปัญหาโดยไม่รู้สึกตัวคุณอุไรครับหากเราฝันถึงญาติที่รุ่งรับไปแล้วในฝันมีรูปร่างน่ากลัวในฝันเราบอกให้ผู้ตายท่องพุทโธเหมือนเขาทรมานแบบถ้าเราใส่บาตรเขาจะได้รับส่วนบุญไหมครับ ก็ความฝันนี่มันก็ไม่แน่ว่าเป็นความฝันที่เป็นความจริงหรือเป็นความคิดปรุงแต่งของเราแต่สักบางทีเราก็เมื่อเราฝันเป็นคนตายโดยธรรมเนียมแล้วก็มักจะทําบุญไปเผื่อไว้เผื่อเขามาขอบุญอย่างเราแต่มันก็อาจจะไม่แน่มันอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ขอมาขอเราก็ได้อาจจะเป็นใจเราคิดถึงเขาเองแล้วคิดเราก็สร้างเรื่องึ้นมาในใจนี่เป็ความฝันขึ้นมา คุณรัตยาพรณ์ครับจําเป็นไหมครับที่ต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิถ้าเราจะนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้สวดมนต์ร่วมด้วยได้ไหมครับถ้ า, านั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดการสวดมนต์นี่เป็นการช่วยเจริญสติช่วยทําให้การนั่งสมาธิสามารถทําได้บางคนนั่งสมาธิเลยนั่งไม่ได้นั่งแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกอยากจะเลิกก็ใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อน สนนั้นเพื่อปลอบใจให้ให้เข้าสู่ความสงบในระดับที่สามารถนั่งสมาธิได้คุณฐานครับการปฏิบัติที่จะได้โสดาบันสำหรับคนในยุคปัจจุบันพอจะทําเหตุได้ไหมครับและจะสร้างเหตุในการปฏิบัติอย่างไรครับก็แน่เขาต้องปฏิบัติทานศีลภาวนานกันนะถ้าอยากจะได้เร็วก็ไปบวชกันเลยมีบเงินทองเท่าไหร่ก็ทลาไปให้หมด วันจะนั่งใเวลาทุ่มใจให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิให้มากที่สุดพอได้สมาธิแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจให้มองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เทีย่ยบเวทนาก็ไม่เทีย่ยเกิด็จะเจ็บตายต้องเจอมันถ้าไม่ต้องการจะทุกข์ก็ต้องอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไหยให้มันแก่เจ็บตายไปก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ การฆ่าสัตว์โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบาปไหมครับไม่บาปครัถ้าไม่มีเจตนาเช่นเราขับรถไปแล้วชนนั้งวิ่งตัดหน้าแล้วเราก็ชนเขาตายไม่ไม่บาปเป็นเร่งของอุบัติเหตุเรื่องของสุดวิสัยการฝึกสมาธิจะทําให้มีพลังทางจิตไหมครับก็เ น, นี่ยนะสมาธิก็คือพลังของจิตจะเป็นพลังหยุดหยุดกิเลสไม่ใช่เป็นพลังที่จะไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้ ไม่ใช่เป็นาการใช้กำลังภายในเร า, ามาทําให้ร่างกายมีพลังขึ้นมามันมีพลังจิตที่ต่อสู้กับข้าศึกในในจิตก็คือกิเลสตัณหาคุณบีครับธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรจะควบคุมได้อย่างไรครับจิตเป็นธาตุรู้ที่มีความสามารถอยู่สี่ความสามารถดนการคือสามารถนึกคิดสามารถรับรู้ รูปเสียงกลิ่นรสที่ที่มาต่างๆาหูจมูกมือกายของร่างกายได้สามารถปรุงแต่งคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอะไรต่างๆได้สามารถมีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้นี่คือธรรมชาติของจิตคุณพัฒธิลากรครับมีเพื่อนหลายคนไปมูเตลูไปมูเตลูกันเยอะมากเราจะแนะนํายังไงให้เพื่อนกลุ่มนี้มูเตลูกันแบบมีปัญญาได้ครับ เราไม่รู้จัไแบบมูเตลูครับครับเพว่ด้วยอาจจะเป็นคนลา้ลาสบายไิดหน่อยแล้วอะไรกันนอ้องรู้มูเตลูมันประมาณว่าเหมือนกับอ่าอย่างอามีเพื่อพิธีกรรมมีพิธีอ่ามีของศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ครับมีสร <อง S 1> ้อยข้อมือเขาเรียกสายไม่รู่ครับไม่อ๋อไม่ใช่ทางศาสนาพุทธใช่ไหมก็ คือก็แปลงๆไปก็เป็นบอกว่าเป็นมูสายพุทธก็มีครับอาจารย์ครับอซึ่งไม่ใช่เป็นคําสอนของพระเจ้านะของมูนี้มันเป็นของแทรกเข้ามาในพุทธศาสนาพุทธศาสนาให้เชื่อกรรมอย่างเดียวมีชื่วยอยู่ที่บุญกรรมที่เราทําบุญบาปที่เราทํำนะ้ะ ค, คุณโจ้ครับเมื่อถือศีลห้าแล้ว หเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วหนึ่งฝึกสมาธิเจริญสติตอนเช้าครึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งกำหนดเวลาเดินแล้วหนึ่งมีวิธีฝึกลําดับต่อไปเพิ่มเติมไปให้ถึงพระโสดาบันอีกไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าเราไม่ทุกข์กับร่างกายได้หรือ ไ, ไ, ไม่ถ้าไม่ทุกข์เราก็บรรลุแล้วก็เป็นโสดาบันได้ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวความตายยินดีที่จะตายในทุกเวลายินดีที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทุกเวลา ผิดสี่ห้าข้อไหนร้ายแรงที่สุดครับก็ข้อหนึ่งะข้อหนึ่งร้ายแรงที่สุดการค่าลองลงมาก็คือการลักทรัพย์ลองลงมาก็คือการประพฤติผิดประเพณีลองลงมาก็คือการโกหกหลอกลวงลองลงมาก็การดื่มชุลายามเมาท่านเห็น่้งเรียกลำดับไว้เอาของที่หนักที่สุดมามาก่อนการค่า ก็คุณถูกฆ่ากับคุณถูกขโมยทรัพย์สมบัตินงานไหนมันจะหนักกว่ากันคให้เลือกระหว่างการฆ่ากับการถูกขโมยทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองการถูกฆ่ามันหนักกว่าใช่ไหมใช่ครับใช่เลยครับคุณกันนิกาครับการเป็นถามอาจารย์แนะนําวิธีการตื่นจากอ่อนนิ่นี่เหมือนไปอตอนนี้ตอบไหมครับตอบรับมาข้างลัางนะเรื่องจิตตื่น คุณแก้วครับเพื่อนเห็นภาพพ่อฆ่าตัวตายเลยเกิดโรคซึมเศร้าต้องให้คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์ครับก็อยู่ที่ว่าเขาเขาอยากจะหายทุกข์เขาอยากจะมาปรึกษาเราหรือไม่ถ้าอยู่ดีๆไปบอกเขามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเบื้องต้นตน้ไงให้เขาอยากจะได้คำแนะนำจากเราก่อนถ้าสมมติถ้าเขาอยากจะได้คำแนะนำก็เชื่อว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์ช่วยแก้ การเศร้าโศกเสียใจได้แล้วก็สอนก็ได้ว่าต้องหยุดคิดอย่าไปคิดถึงภาพเหล่านั้นด้วยการเจริญสติใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธทุกครั้งที่เราจะคิดถึงภาพเหล่านั้นเราก็มาบาลีรมพุโทโธพุโทโธไปพยายามดึงจิตให้ออกจากการไปนึกถึงภาพอั น, นั้นให้ลืมภาพอันนั้นไปให้ได้ถ้าลืมได้ใจก็จะหายเศร้า เกิดมาพิการเกิดจากอะไรครับก็มันมีหลายสาเหตุนสาเหตุหนึ่งก็อาจจะความบกพร่องทางด้านพันธุ ก, กรรมก็ได้หรือเวลาที่แม่แม่แม่ตั้งครรภ์แม่อาจจะเอาสารพิษอะไต่างๆเข้าไปเลยไม่ไม่รู้ก็ได้หรืู้ก็มีนะบางแม่บางคนเสพยาเสพติดเมื่อะไหร่เงี้ยมันก็อาจจะทํำให้เกิดอาการพิกาพิการในร่างกายได้อีกอีกเคสนึงก็เกิดจาก บาปกรรมที่ทํามาในอดีตก็มีผลเหมือนกันแต่ล้วแต่ว่าเหตุไหนมันจะเป็นนั่นไม่ไม่สามารถแยกแยะได้มีแต่ตามเท่าที่วิเคราะห์ดูกายก็มีสาเหตุเหล่านี้คุณเปิ้ลครับจิตเห็นจิตคืออะไรครับก็จิตมองเห็นความคิดปรุงแต่งของตเนเเห็นความรู้สึกนึกคิดอะไต่างๆที่เกิดขึ้นในจิต จะเห็นได้ก็ต้องนั่งสมาธิห น, นับตาเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นนั้นเพื่อจิตจะได้หันมามองจิตพอมาหันมามองจิตก็จะเห็นสิ่ง ต, ต่างๆที่มีอยู่ในจิตเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นความรักชังกลัวหลงความโลภความโกรธความอะไรต่างๆมันอยู่ในจิตมันอยู่ในจิตของเราทั้งหมดนี่นิวรณ์ข้อห้าวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยทําอย่างไรครับ ก็เราศึกษาธรรมะคําสอนพระเจ้ามากๆศึกษาประวัติของพระบิดาเจ้าศึกษาประวัติของพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อเราได้ศึกษามากได้ข้อมูลมากเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องราวเหล่านี้คุณก้อยครับพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเป็นอนัตตาอย่างไรครับก็พิจารณาว่าต้นไม้นี่มีตัวตนหรืยไมต้นไม้ไม่มีตัวตนใช่ไหม ดอกไม้มีตัวตนหรือไม่พวกนี้ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ํำลมไฟชั้นในร่างกายของเราก็ไม่มีตัวตนจากนั้นร่างกายของเราก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ํำลมไฟแล้วก็ทําให้ปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมามีอาการสามสิบสองอาการชาวทสามสามสิบสองก็ไม่มีอาการส่วนไหนที่เป็นตัวตนผมผมเป็นตัวตนหรือเปล่าคนเป็นตัวตนหรือเปล่าเล็บฟัน มิเป็นตัวตวนครับไม่เป็นมันก็เป็นแค่มันก็แค่เป็นอาการของของร่างกายนั่นเองถ้าเราพิจารณาด้วยวิเคราะ้าด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าร่างกายก็ไม่มีตัวตนไอตัวตวนนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากใจผู้รู้ผู้คิดไปสมมุติขึ้นมาเองไปคิดขึ้นมาเองว่าพอมีร่างกายแล้วพอสั่งให้ร่างกายทําอะไรได้ก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นตัวตนขึ้นมามีเราขึ้นมาแม้แต่คนสั่งก็ไม่ใช่เรา แตคนสั่งก็ไปคิดว่าก็ไปคิดว่าเป็นเราคนสั่งก็เป็นแค่คำสั่งแต่ไปแต่ไปคิดว่าคำสั่งนี้ก็เป็นมีผู้สั่งอีกทีมันไม่มีผู้สั่งไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นการปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคุณสิริครับฟังธรรมะพระอาจารย์เข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติคือสิ่งที่ต้องทําแต่การสละทั้งโลกไปบวชนี่ทําใจได้ยากมากเลยครับ อาจารย์กลัวจะลำบากตอนแก่ผมว่าจะลองไปปฏิบัติให้ใจสงบละทั้งโลกปล่อยวางให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปบวชแบบนี้พอได้ไหมครับได้ก็ต้องลองไปก่อนนเราเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ไปบวชทันทีทันใดเราก็ไปลองปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งจนเห็นว่าถ้าอยากจะไปให้ได้ทำมากมากกว่า น, นี้การบวชนี่ยจะช่วยทําให้ได้สิ่งที่เราอยากจะได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะว่าเราบวชแล้วเราก็ไม่ต้องมากัวงวลกับการทำมาหากิน ท้างเงินหาทองเราก็จะมีเวลาได้ปฏิบัติมากขึ้นหลายเท่าด้วยกันถ้าเราต้องทำมาหากินวันวันอย่างนี้เราต้องหมดเวลาไปกับการทํางานแปดชั่วโมงยังทางไปกลับอีกกี่ชั่วโมงสิบสิบชั่วโมงอ่ะสิบชั่วโมงแล้วต้องามาเอาเวลาม า, ากินมารัประทานมาพักผ่อนหลับนอนเนี่ยเวลาที่จะปฏิบัติจริงๆมีแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไปบวชเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องการทำมาหากินเลย เราสามารถปฏิบัติได้เกือบตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยมันต่างกันมากถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งเราจะเห็นควับสําคัญว่าบวชนี่ยดีที่สุดเพราะเป็นการบวชนี่ก็เหมือนกับการได้ขึ้นทางด่วนการไม่บวชนี่เหมือนกับการขับรถอยู่ใต้ทางด่วนเวลาอยู่ใต้ทางด่วนก็เจอรถลดดารถสีแยกไฟแดงไฟเขียวอะไรต่างๆเไ็้ไม่หมดก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็สู้เวลาอยู่บนทางด่วนไม่ได้ ตอนนั้นมันจะรู้เองมันจะเห็นนมันจะมันอยากจะบวชเองตอนนั้นถึงเวลาเบื้องต้นก็ปฏิบัติในเพศของคารวาสไปก่อนให้ได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบก่อนถ้าเราได้สัมผัสความสุขและความสงบแล้วทีนี้เราอยากจะปฏิบัติมากขึ้นว่าอยากจะปฏิบัติมากขึ้นมันก็ต้องไปบวชเท่านั้นถึงจะมีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้น มีตะขาบเข้าบ้านเราฆ่าถือว่าเป็นบาปมากไหมครับเพราะนาทีนั้นมีแค่ฆ่ากับปล่อยเข้าบ้านไม่กล้าจับครับก็บาปเหมืนถ้าเข้าฆ่าเราเราบากเขาเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกทุกข์มากใช่ไหมงานไปฆ่าเขาก็ไปสร้างความทุกข์แบบนั้นเหมืับมืนก็สร้างความเวลาคนอื่เข้ามาฆ่าเรามันก็บาปคุณมาคัตสีครับ ทำไมคนส่วนมากจึงมีชีวิตอยู่ทางโลกมากกว่าทางธรรมทั้งๆที่รู้ว่าทางธรรมเป็นหนทางที่ควรเดินมากกว่าครับจริงๆก็ไม่ใช่ว่าทุกคนรู้เรื่องทางธรรมนะมีพวกเราเท่านั้นที่มาศึกษาธรรมกันซึ่งอาจจะเป็นแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของคนประชากรในโลกนี้ก็ได้ประชากรในโลกนี้ที่รู้เรื่องธรรมนี่ถ้าเกิดมีน้อยมากเขารู้แต่เรื่องของโลกกับธรรมเขารู้แต่เรื่องของการหาความสุขอยากลาบยุดเสริญ จากรูปเสียงกินรูปผลิตภาพทนั้นเองก็เลยไม่เข้าใจว่าทางทำมากันทำมาทำเพื่ออะไรคุณอังุนเปรี้ยวครับการเดินจงกรมโดยวิธีนับเก้าซ้ายขวาการที่เรานับเก้าขณะเดินถือว่าเป็นการสร้างสติและสมาธิไหมครับใช่มันก็เหมือนกับการบริกรรมพุโทโธพุโทโธว่ามันจะทำให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้นั่น คุณวรกัญญาครับสันโดษแล้วเวลาละสังขารหรือกายทุกเหตุที่เป็นครารวาสเราจะอยู่ได้อย่างไรเราสามารถอยู่วัดได้ตลอดชีวิตถ้าเราอยากไปปฏิบัติก่อนจากไปไหมครับใจเก่งว่าจะเป็นภาระคนอื่นไม่ทราบหมายความว่าอย่างไงคนที่ไปอยู่วัดได้เนี่เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไม่เป็นเป็นภาระให้กับใครพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะตายถ้า ในเวลาที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็ไม่มไม่ไปหวังพึ่งใครปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมแถ้ามีคนที่ก็มีความเมตตาอยากจะมาช่วยเหลือก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่จะไม่ไปขอร้องให้ใครมาเล่นดูเราคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับการรักษาศีลนแปดโดยใช้สบู่ที่เป็นยาและยาสีฟันถือว่าเป็นของห่อไหมครับ ถ้ามันไม่มีกลิ่นก็ก็ก็ใช้ได้ถ้ามันถ้ามันมีกลิ่นหอมันก็ถือว่ามันก็ไม่กวนใช้สบู่แบบที่ไม่มีกลิ่นสัญญาสีฟันนี่ก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นเป็นของที่เราเสกกันเพราะเราเราไม่ได้องมเพื่อความสุขจากรถของมาเราเราเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้แป่งฟันกันเองไม่น่าจะมีปัญหาถ้าจะใช้ยาสีฟัน บบ ค, คุณมีนาครับมีเพื่อนเขียนมาถามว่ามีพระรูปหนึ่งท่านพูดกับคนมานั่งวิปัสสนาว่าคนนี้ฟุง้งคนนี้จิตขึ้นสูงไปต่ำไปจิต ด, ดีแล้วว่าแบบนี้คือการสอบอารมณ์ใช่หรือเปล่าดิฉันตอบเพื่อนไปว่าเท่าที่รู้มาว่าการดูจิตเป็นทำขั้นสูงไม่มีสมาธิเป็นฐานดูไปก็เท่านั้นแล้วทางสายวัดป่าท่านสอนเป็นลาดับขั้นทานศีลภาวนาไม่ข้ามขั้น เราควรขอคาแนะนําว่าดิฉันตอบเพื่อนถูกไหมครับคือเรื่องการดูดูดูระดับจิตของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนี่ต้องเปนเป็นครูบาอาจารย์ที่ผ่านระดับจิตขั้นต่างๆแล้วลเวลาท่านดูท่านไม่ต้องดูเพ่งเข้าไปในจิตหรอกต้องดูกิริยาการทังร่างกายก็เห็นนะ ว, ว่านิ่งหรือไม่นิ่งอบางทีท่านอาจจะทดสอบทำอะไรอย่างได้อย่างหน่ แล้วดูเวลาจะทํามีปฏิกิริยาต่อการทดสอบอย่างไรท่านสามารถดูได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งสมาธิหรือมาคุยมาถามอะไรกันท่านสามารถดูอริยาบทของเราปฏิกิริยาของเราต่อเหตุการณ์ต่างๆได้ท่านก็จะรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรนึ่งหรือไม่นึ่งตื่นเต้นตกใจมันมันมองเห็นมันไม่ต้องไปการการสอบอารมณ์นี้่ก็ไม่มาสอบกันแบบถามถามคําถาม อันนี้ไม่ได้เรีกเป็นการสอบอบรมเป็นการปถามว่าเข้าใจไหมเหมืกกับว่าการปฏิบัติปฏิบัติไปถึงไหนแล้วอย่างไรคุณแจนครับเมื่อเราเห็นคุณของการปฏิบัติธรรมว่ามีประโยชน์มากเราสามารถแนะนำให้แม่ลูกคนในครอบครัวปฏิบัติธรรมอย่างไรครับ่อให้ขอคำถามเราก่อนเลยถ้าเ ข, ขามาถามว่า นการปฏิบัติธรรมนี่ดีอย่างไรแล้วก็บอกเข้าไปถ้าอยู่ดีๆก็ไม่มาถามน้องก็ไม่ต้องไปแนะนําเขาหรอกเดี๋ยวก็จะหาว่าเราบ้าพอเข้าวัดหน่อปัอ๊บนี่กลายเป็นเป็นธรรมะธรรมโมไปหมดส่วนใหญ่ยยกจะเป็นอย่างนั้นนะพอเข้าว่าปฏิบัติธรรมหน่อยก็เลยสัมผัสกับธรรม้ากเล่นหน่อยเดี๋ยวอยากจะให้คนทั้งโลกมาปฏิบัติธรรมแบบตัวนี้มันกับตัวเองทันที ทึ่งไม่มองความจริงแล้วว่าเขาสนใจหรือไม่สนใจก็อยากหรือไม่อยากไม่เคยคิดเลยอยกจะต้อนเข้ามาให้ไ ป, ปฏิบัติ ป, ปฏิบัติทำให้หมดเลยคุณทรายครับขเขาโอกาสเน้นถามหลังออกจากสมาธิเมื่อใจเราสงบสบายดีอยู่เราจะอยากไปทางปัญญาเองเมื่อถึงเวลาไหมครับหรือต้องมาคบให้คิดไปทางปัญญาครับ น้องคิดเพราะว่าถ้าเราทำสมาธิแบบว่าหลวงเทพบันจะติดสมาธิได้มันจะไม่อยากจะไปทางปัญญาเพราะมันคิดว่าแค่สมาธินี้ก็มีความสุขพอแล้วก็เลยอยากจะเข้าสมาธิเวลาจิตออกมาแล้วจิตนั่งฟุ้งซ่านนุ่นนี่ด้วยความอยากก็กลับเข้าสมาธิไปแทนที่จะใช้ปัญญาพิจารณาว่าความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจของจิตเกิดจากความอยากและคนที่จะระงับความอยากด้วยการใช้ใจรักมาสอนใจ อันนี้มงทีก็ต้องถูกอยู่วัาครูบาอาจารย์ท่านจะรู้บางทีว่าเราติดเราติดสมาธิเลยพอติดสมาธิท่านาท่านก็จะมากระตุ้นให้เราออกไปทางปัญญาทำบุญกับสัตว์ให้อาหารสุนัขจรเป็นบุญไหมครับทดแทนการใส่บาทได้ไหมครับได้เหมือนกันคุณเอสพีครับ ขันทั้ง5้ามีเฉพาะในพบภูมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมครับพบภูอื่นๆมีขันห้าอย่างเหมือนกันไหมครับพบเทวดาเขาก็มีแค่ขันสี่เขาเป็นกายทิพย์เขาไม่มีรูปรูปประขันเขามีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พ, พวพกพวกเทวดาพวกกายทิพย์ทัง้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายสุขติหรือทุขกขติก็มีแค่ขันสี่เปรก็มีแค่ขันสี่ มีที่มีขันห้าก็มีมนุษย์กับเดรฉ า, านที่มีขันที่มีขันห้าเดรฉ า, านก็ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกับมนุษย์เหมือนกันคุณวรกัญญาครับจิตเสื่อมเมื่อรบเมื่อรับรู้ว่าพระที่เรานับถือเป็นใช้ครีมกันแดดผิวหน้าคือการใช้ครีมกันแดดไม่ผิดสิกขาบทใช่ไหมครับติดในใจมากเลยแล้วย้ายไปอีกวัด ก็เห็นอะไรไม่สบายใจอีกจะทําอย่างไรดีที่มีจิตเสื่อมศรัทธาในพระลดลงไปเรื่อยๆไม่มองไม่ดูเลี่ยงและก็ไปน้อยลงไปเรื่อยๆครับก็ไปหาพระพุทธเจ้าแทนซิของจริงของแท้ศึกษาจากพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกนะเอาหนังสือที่เขาคัดออกมาจากพระไตรปิฎกที่สอนพระสูตรต่างๆพระสูตรสาคัญต่างๆแล้วเราก็ปฏิบัติของเราที่บ้านไปก็ได้ นึกจะไปปฏิบัติที่วัดก็น่าแต่ไม่เป็นสนใจว่าพระที่อยู่ที่วัดเขาจะเป็นยังไงเราไปเพื่อที่อยากใส่สถานที่เพื่อปฏิบัติธรรมของเราไปเท่านั้นเองก็ได้แต่ก็ไม่ได้มาคำว่าพระทุกลูกจะเป็นอย่างนั้นนะล้วอาจจะไปไม่ถูกวัดก็ไ ด, ถไจจถนนได้ถ้าเราไปเจอวัดที่มีพระเข่งๆเนี่ยเราก็อาจจะก่อความเลื่อมใสศรัทธาในในตัวพระเรานั้นก็ได้นถ้าเราไปเจอวัดที่มันไม่เข่งเราก็เปลี่ยนไปเรื่อย วันนี้ก่อเราไปกินร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารนี่ไม่อร่อยแล้วก็เปลี่ยนไปอีกร้านหนึ่งลองไปเรื่อยๆหรือถ้าถ้าไม่รู้จะไปลองร้านไหนก็ลองถามผู้ปฏิบัติร่วมกันดูว่าให้วันไหนดีมากหรือร้านอาหารอันไหนอร่อยบ้างหรือเปิดหนังสือ อ, าอ่านดูก็ได้ในส่วนใหญ่แล้วก็บางจะได้ยินพระปฏิบัติสายวัดป่าใช่ไหมสายหลวงปู่มัน่นสายหลวงปู่ชาเนี่ก็เป็นเป็นที่ยอมรัดกันว่าเป็นมีพระปฏิบัติดีมากกว่าพระปฏิบัติไม่ดี ไปวัดหล่งนั้นดูสลอาจารย์คําถาบสุดท้ายครับคุณศิริครับถ้าชาตินี้ได้เจอพระอาจารย์และศาสนาพุทธมีพระธรรมสั่งสอนและหนังสือธรรมะเต็มบ้านแต่คิดว่าจะไปปฏิบัติจริงๆในชาติหน้าอะและสุดท้ายได้เกิดหลังศาสนาพุทธหมดอายุไปแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีศาสนาพุทธมาเตือนเราเราก็จะไม่มีธรรมะเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปปฏิบัติ ขณะมีธรรมะมาคอยเตือนเราอยู่ทุกวันเรายังไม่อยากไปเลยแล้วถ้าไม่มีธรรมะแล้วเราจะมีอะไรมากระตุ้นให้เราไปทำๆไม่มีเลยมันก็ยังมีตะกิเลสรอบล อ, บ อ, บอบด้านให้เราไปแสวงหาโลกกระทำเทนั้นเองขอโอกาสกรับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟสหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งรอยสิ 11, 1, คนนะครับในยูหอยย่สิเจ็ดคนใน c l u b h o า s ์เจดคนครับ ในติ๊กตอ464คนครับวันนี้พี่เพื่อนฟังทำอยู่ทั้งหมด 2,220 คนนะครับอาจารย์ครับก็ ม, มากขึ้นนะมีติกตอกมาเสริมมันก็เด่แค่ 1,007 1,078 นี่มีติกต่อมาเสริมอีก400ก็เลย 2,000 กว่าก็ดีใจนินดีกับทุกท่านที่มาร่วมทำต้นธนาทำกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนำมาไปใช้ในการปฏิบัติต่อไป การสนอรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงดาเอาสิ่งนี้ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกาดช่องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพร การขอพระคุณพระอาจารย์ครับ